ในธรรมจักรกระประวัตนสูตรที่บอกว่าชาติปีทุขขาชาราปีทุกขขามรรพยาปีตุขขาวรณามปีทุกขังโสกกาปริเทวทุกขโทมนาสสะปายาสาสุปายาสาปีทุ ข, ยยปปโคโคขขาอปิเยหิสัพโยโคทุกโขลปียหิวิปโยโคทุกโ ข, ขยยำปิีฉังนรปติตำปีทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานคันดาตุขขา พอกก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกองทุกที่ตถาคตเทศนาว่ามันเบียดเบียนสัตว์ให้ลําบากในทุกขเวทนาอยู่เหนืองเนืองไม่รู้เว้นได้แก่สิ่งใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้แก่ทุกสิบสากองก็คือชาติที่ทุกหนึ่งาา ก, กองหนึ่งชราทุกหนึ่กองหนึ่งภรยาทีทุกคือความเจ็บไข้นั้นกองหนึ่งบราณะทุกคือความตายใ น, นกองหนึ่ง โศกะทุก็คือความโศกปริเทวะทุก็คือบนเพื่อทุกขทกก็คือทุกกายและทุกใจโทมานะทุก็คือทุกใจนะอุปายาสะทุก็คือความทุกข์ที่มันแผดเผาอภิเยหิสัมปโยคาทุกปรารถนาสิ่งใดที่บอกว่าพัดพลาก ปเยหิวิปโยคทุกก็คือพัดภาคจากของรักของชอบใจยำปิดชังนรปติปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ปัญจุ ป, ปาทานขันธาทุกข่าว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งหเป็นตัวทุกข์รวมเป็นสิบสากองเนี่ยทีนี้ดูคําว่าชาติทุกข์บังเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายที่ปฏิสนธิในกําเนิดทั้ง4 1. อันทัชะกําเนิด สอลาพุชะสาสังเสทชะสอุ ป, ปาติกะอันทชะคือปฏิสนธิในฟองไข่เคยเห็นไหมเกิดในไข่มีไม่มีพวกเราเกิดในไข่ไหมอยู่ในไข่เหมือนกันใช่ไหมเออแต่เป็ดไก่ก็เป็นนะชะลาพุชะปฏิสนธิในครันเราอยู่ในครันด้วย แห่งมารดาเหมือนอย่างเราทั้งหลายเนี่ยกลุ่มชลาพุชะสังเสทชาปฏิสนที่ในในที่โสโครกแถวไหนแถวที่เปียกชื้นทั้งหลายอะ่ตกกะตะกแตนเงี้ยเลือดเนี่ยยุงเป็นต้นเหล่านี้อปปปาจิกะคือกลุ่มเทวดาพอปฏิสนที่มาแล้ว โตขึ้นมาแล้วนี่วัฒนาการมาตามลําดับ2ปี3ามปีไล่ามาพอสิบหปี17ปี18ปีอย่างเราเรทั้งหลายก็มีเครื่องประดับอาภรณ์บริบูรณ์อย่างพวกเราเนี่ยโหใช่ไหมพออายุ16 17 18 19 20โอ้โหประดับประดาใหญ่เนี่ยนั้นทุกเหล่านี้มันเบียดเบียนสัตว์ให้ลําบาก เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตเนี่ยไม่รู้จักจบสิ้นไม่รู้หยุดหย่อนเลยเนะทุกชาติทุกภพนับประมาณไม่ได้ชาติที่ทุกที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยปฏิสนธิในท้องเนี่ยมีอยายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ ย, นยในคำสอนก็ปฐมังกะระลังโหติกะระลาโหติอภุททางอภุธาชายเตเปสิเป็นต้นะเนี้ย สัตว์ทั้งหลายที่ถือปฏิสนธิในคันมารดายอย่างพวกเราเนี้นะแรกเกิดก็เป็น ก, ะ, กะละกะละะเนี่ยเท่ากับหยาดน้ํามันงาใสยหยดน้ํามันงาหยดเดียวอะ่ะนั่นแหละเล็กขนาดนั้นแหละปฏิสนธิของเราครั้งแรกในครันของคุณแม่ตอนนั้นมีรู ป, ปธรรมและมีนามธรรมแล้วนี่ปฏิสนธิ รูปธรรมก็คือใส่ๆนี่แหละจุดใสๆ่ๆนามธรรมจิตใจก็มีแล้วในขนาดนั้นเนะ่ะสรุปแล้วครบแล้วรูปรขันก็มีแล้วเวทนาขันก็มีสัญญาสังขารวิญญาณก็มีแล้วในขณะที่เป็นกัรละลานั่นแหละใสเป็นติดอยู่เหมือนอยังไงเดิความเล็กของเขาเหมือนเอาขนจามารีเนะี่ยจุ่มน้ํามันงานนะแล้วมาสลัดเจ็ดครั้งที่มันยังเหลืออยู่นิด หยดนิดเนี่ยมองแทาไม่เห็นนั่นแหละปฏิสุนที่เริ่มตั้งขึ้นแล้วปฏิสุนที่เริ่มตั้งขึ้นแล้วนี่ชาติทุก์ก่อตัวขึ้นลาแล้วก่อแล้วในนั้นมีพวกวัตถุทศักกระาบมีดินน้ําไฟลมสีกิ่ลดโอชาชีวิตรูปแล้วก็มีหาทย่วัตถุมีวัตถุที่เป็นที่ตั้งของน้ำมาทำ แล้วก็มีภาวะแล้วเพศหญิงเพศชายมีแล้วตอนนั้น <c oughs> ดินน้ํำใบลมสีกินรถโอชาชีวิตตมีภาวะรูปความเป็นหญิงเป็นชายมีเริ่มต้นในขณะปฏิสนธิเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ทำท่าสงสัยกัน <c oughs> แล้วก็มีกายะภาวะกายศาสตรมีแล้วเริ่มมีแล้วตอนนั้น <c oughs> สรุปแล้วนะ่ะรูปธรรมตั้งขึ้นเนี่ยเท่ากับหยาดใสๆนะ้ำมันงาเล็กนิดเดียว นี่คือกลุ่มรูปธรรมนามธรรมก็มีเวทนาสุขทุกข์มีแล้วสัญญาความจําก็มีสังขารวิญญาณมีหมดแล้วสรุปแล้วขันห้าตั้งขึ้นมาแล้วนั่นแหละก็คือกระบวนการของกองทุกข์มันเริ่มตั้งขึ้นมาแล้วอยู่เจ็ดวันพอครบเจ็ดวันปุ๊บครบหนึ่งสั ป, ปดาห์ปุ๊บจากใสๆมันเริ่มจะเป็นสีเหมือนน้ําล้างเนื้อน้ําล้างเนื้อนี่มันเริ่มจะคุๆนๆขึ้นมาแล้ว ไม่ใส่อะไรมันพัฒนาตัวมันมาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลานะทุกทุกวินาทีเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บปจากใส่ๆมันเริ่มเป็นสีเหมือนน้าล้างเนื้อขึ้นมาแล้วดูกองทุกมันพัฒนาการมาดิมันเป็นอันนี้จังขาขึ้นตอนนี้เริ่มใสแล้วใส่ใส่ใส่ใส่แล้วก็เริ่มคุณคุณคุณเหมือนสีน้ําล้างเนื้อมันมัน มันทรงตัวเป็นสีน้ำล้างเนื้อเนี่ยค่อยๆขุนขึ้นมาขุนขึ้นมาขุนขึ้นมาเหมือนน้ำล้างในอีกเ็ดวันมันยังเป็นน้ำอยู่เลยนะเนี่ยสัปดาห์ที่หนึ่งใสสัปดาห์ที่สองเป็นสีเหมือนน้ำล้างเนื้อพอสัปดาห์ที่สามมันเริ่มเป็นเป็นก้อนเนื้อขึ้นมาแล้วทีนี้ยไม่ใช่สีน้ำล้างเนื้อแล้วเป็นเนื้อแล้วเนี่ยเป็นชิ้นเนื้อ เป็นชิ้นเนื้อสันฐานเหมือนไข่ไก่มันออกมาแล้วแต่นี้งงทำท่าไม่รู้เรื่องเนี่ยเราเป็นมาหมดแล้วนี่นะเนี่ยเหมือนไส้เหมือนไข่ไก่แล้วเป็นสันฐานเหมือนไข่ไก่แล้วอยู่อีกเจ็ดวันกลมเหมือนไข่ไก่นั่นและแล้วมาอีกเจ็ดวันจากสันฐานเหมือนไข่ไก่เริ่มแตกออกมาแล้วแตกออกมาเป็นปัญจ่าสาขา เป็นห้าปุ่มออกมาแตกออกเป็นห้าปุ่มโหมาตะจันมากนี่อันนี้จังอันนี้จังนี่มันเป็นทั้งอันนี้จังเป็นทั้งทุกขังเป็นทั้งอนัตตาเชือไมื่าปัญญาต้องไปเห็นอย่างนั้นนะมันถึงจะสะดุ้งสะเทือนไม่เอาอีกแล้วแตกนะเม้งนะแตกเป็นปัญจาสาขาแล้วมีห้าปุ่มแตกออกมาเป็นห้าปุ่มมีอะไรบ้าง ขาสองแขนสองถ้ามันแตกออกมาผิดปกติไปว่าไอ้เจ้านั้นพิการดีนะเนี่ยมันออกมาเนี่ยดีนะที่นั่งๆอยู่กันเนี่ยครบหมดนะจ๊ะว้เนี่ยปัญจสาขาทิศาหนึ่งแขนสองขาสองแตกออกมาเป็นห้าปุ่มแล้วยอยอีเกเดวัน แล้วต่อมาก็เริ่มพัฒนาการไปเรื่อยๆเริ่มมีอะไรมาเกษาโลมานขาเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วทีเนี้ยเกษาโลมานขาฐานตาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตวัวใจเริ่มพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยเรืยนี่แหละนี่แหละจำเดิมแต่นั้นมาก็ตั้งแต่จะสวยทุกเวทนาอยู่ในท้องในประเทศ อุทธรณ์ของแม่ประเทศ น, น่เราอยู่ในประเทศนั่นแหละเนี่ยและในขณะเดียวกันที่อยู่ในท้องเนี่ยอยู่ในปะท้องของแม่นั้นเนี่ยเราก็นั่งทับซึ่งอาหารเก่าของแม่เข้าไว้อะไรคืออาหารเก่านั่งทับอะไรนั่งทับอุจจาระของแม่อยู่ข้างบน บนศีรษะของเรามีกระเพาะเอารองอยู่บนเนี้ยกระเพาะของแม่อาหารใหม่ก็รองอยู่ตรงนั้นเนี่ยสรุปแล้วก็นั่งทับอุจจาระของแม่อยู่แล้วบนหัวก็กระเพาะเวลาอาหารเย็นอาหารร้อนเข้ามาก็ปึ๊บปึ๊ปึ๊บตรงหัวนี่พอดีเลยทรมานหรือไม่ทรมานโอ้ นี่เราอยู่ตรงนั้น ใ, นในช่องที่คับแคบสุดๆนั่นแหละแออัดมากฮะไม่รู้เรื่องก็จริงแต่มันทรมานไหมทรมานแต่มันจำไม่ได้เนี่ยคือทุกยังอยากจะกลับไปเกิดอีกไหมในนั้นน่ะเขาต้องเรียนรู้อย่างนี้มันถึงจะไม่อยากไปเกิดอีกมันต้องเข้าใจทุกขั้นตอนอย่างนี้ถึงไม่อยากไปเกิดอีกถ้างั้นมันก็ตัญหาก็ ชิงบอกว่าดีแสนดีเกิดใหม่ดีแล้วนี่คือทุกข์สัตว์โหยังเลยเยอะเลยนะยังไม่ได้เรียนรู้เนนี้เสียดายจริงริงใช่ไหมมันน่าทำวีดีทัศน์เนี่ยแล้วก็คอ่คอยอธิบายแล้วก็พอดูนี่จะได้ไปเกิดใหม่จริงไม่จริงนั่นแหละนั่งทับ อุจจระของแม่เขาไว้ทุนอาหารใหม่ของแม่เขาไว้ที่บนกระหม่อมบนศรีรษะแล้วทาลกนั้นก็นั่งย่อนั่งคุดคูยกมือทั้งสองขึ้นค้ำคางตัวเองเขาไว้มันรัดเข่าอยู่เนี้ยนั่นเเหมือนลิงอ่ะเหมือนลิงอ่ะนั่งเป็นเด็กกระจอกอยู่งี้เนี้ย <c oughs> เป็นคนกระจอกอยู่งั้นน่ะผิดกับพระโพธิสัตว์ท่านไม่ไม่เป็นแบบนี้พระโพธิสัต์เนะี่ยท่านไม่นั่งกระจอกงอง่อยเหมือนสัตว์ทั้งหลาย ท, ท, ทั่วไปท่านนั่งเหมือนคนนั่งขัตสมาธิพวกเรานี่ต้องนั่งรัดเข่าอยู่งั้นแหละินหน้าหันหน้าไปทางไหนแล้วก็คือทาลกนั้นก็นั่งรัดนั่งรัดเขา่า ทั้งสองข้างค้าคางกอดหัวเขาตัวเองไว้หันหลังออกไปทางข้างพื้นท้องของแม่เอาหลังออกไปทางท้องแม่เอาหน้าเข้ามาทางกระดูกหลังของแม่นั่นแหละเหมือนกับลิงที่อยู่ในโพรงไม้เมื่อฝนตกเหมือนวานนอนเหมือนลิงอะอยู่ในโพรงไม้ที่แออัดครับค่องเหมือนตอนนั้นฝนก็ตกพังผืด คือรกนั้นก็หุ่มกายอยู่ไม่สามารถจะเหยียดเท้าได้รกมันพันอยู่พังผืดมันพันอยู่ไม่สามารถจะเหยียดเท้าออกมาได้ต้องเสวยทุกขเวทนาอยู่ในท้องของมารดาอย่างแสนสาหัสแต่เราลืมหมดแล้วเด็กคนนั้นโมหะกินจัดโมหะครอบงมจัดไม่เคยรู้เลยว่าทุกแสนจะสาหัสแสนจะทรมาน อยู่ในชื่อของขุมนรกอย่างหนึ่งเหมือนกันคือตกนรกดีๆนี่แหละว่างั้นเถอะเวลาแม่กินอาหารเย็นเข้าไปปึ๊กเขาหัวนี่ลองอาหารร้อนเข้าไปอาหารเย็นเข้าไปอาหารเผ็ดเข้าไปอาหารเจ็บปวดทรมานมากตกนรกอยู่อย่างนั้นนะ่ะเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้างแปดเดือนบ้างกี่เดือนโอ เดือนลสามสิบวันคูณไปที่เท่าไหร่กี่วันวันละกี่ชั่วโมงนั่นแหละไปนั่งนับคือด้วยวนั่นทุกทรมานอย่างงั้นแต่นรกที่เราอยู่ในท้องแม่เนี่ยเราลืมไปแล้วมีตกนรกอย่างแสนสาหัสเนี่ยนะมืดมนโอนทการด้วยมีกลิน่นเหม็นในท้องของแม่นั้นเน่ยเหม็นอบ ตลอบอยู่อย่างนั้นแหละทุกคืนทุกวันน่ารังเกียจนักหนาหน่ารังเกียจมากอยากจะไปเกิดอีกไหมไม่อยากก็ต้องไปเพราะว่าไม่้งอยากไปเกิดอีกไหมไปไม่ไปสนุกดี ทุกข์ดีทรมานดีน่าลังเกียดมากเตโชธาตก็คือธาตุไฟของแม่เผาให้ร้อนทุรนทุรายทุกขเวทนาลำบากเหมือนก้อนเนื้อที่บุคคลเนี่ยใส่ไว้ในหม้อแล้วต้มน้ำสัตว์ตั้งหลายที่อยู่ในท้องของแม่เนี่ยสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสไอตรงนี้อสัพภาษาพระเขาเรียกว่าคัโพโภการติกามูระกท ทุกในการอยู่ในท้องของแม่ทุกในทุกในการที่แม่จะต้องบริหารคันนี้แหละครับโพล่คือคืออยู่ในท้องอะ่ะครับโพการติกะมูรากะทุกทุกในการอยู่ในคันของแม่อยู่ในท้องของป้หนึ่งว่าเมื่อมารดารม้มลุกขึ้นยืนลุกขึ้นล้มเนี่ย มารดาเดินไปเดินมากลับเนื้อไปกลิ่งไปกลิ่งมาลุกขึ้นยืนเดินนั่งนอนเนี่ยสัตว์อยู่ในคันก็สวยทุกเวทนานมากถ้าอยากจะทุกขนาดไหนเข้าไปยืนในตุ่มน้ำนะแล้วให้เขากลิ้งดูมันสนุกไหมโยกไปก็โยกมาโยกไปก็โยกมาเนี่ยคนอยู่ข้างในเป็นยังไงโอ้โหมึดถูกเวียงไปก็เวียงมาเวียงไปก็เวียงมาทรมานมาก โอ้โหเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องทกษะศาสตร์กันอย่างนี้เลยนะเนี่ยเขาต้องมีข้อมูลความรู้อย่างนี้เพืึงจะไปวิจัยเห็นว่านี่คือชาติติทุกทุกเพราะการเกิดต้องสะดุ้งตกใจหวาดวันตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในท้องของแม่น่ะดุดแนละ้เพราะว่ามันต้องหวาดวันกระทบนั้นกระทบนี้กระทบนั้นกระทบนี้นนนนนนเหวียห่ยงนั้นเหวี่ยงนี้ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะแม่ไม่ได้อยู่นิ่งเลยจริงไม่จริง ยิ้มแมงเหมือนลูกทรายอ่อนที่อยู่ในมือของนักเลงสุราเหมือนลูกเนื้อนักเลงสุรามันจับเล่นมันนะ่ะไอ้ลูกตัวน้อยๆสัตว์ตัวน้อยๆ อ, ยอะ่ะจับแล้วนั่นเล่นเหวียงไปเวียงมาเล่นนะอย่างนั้นแหละว่างั้นจะหรือเหมือนก ง, งูอะ่ะเหมือนกับ ง, งูตัวน้อยยี่อยู่ในมือของหมองูตัวเล็กๆเขาเอาจับเล่นไอ้หมองูอะ่ะงูมันยังไม่มีฟันไม่มีอะไรอ่ะมาจับเล่นงั้นแหละ จับบีบไปบีบม า, บมาขยับไปขยับมาเอามาเหวี่ยงเล่นถามว่าไอ้คนไอ้ไอ้ยังหมองูมันสนุกที่ไอ้งูมันสนุกไหมไม่สนุกหรอกเราก็เหมือนกันตอนนั้นน่ะกายก็สัดไปสัดมาขึ้นบางลงบ้างเป็นกลิ้งไปกลิ้งมาเป็นต้นอน เ, เนี้ยเนี่ยทั้งสองนะทั้งทุกด้านเลยนะซ้ายขวาหน้าหลังขึ้นบนขยับขบนข้างลาง่า ง, างสารพัดหมดแหละแล้วแต่แม่จะอยู่ท่าไหน โอ้ โ, โตอนละมานมากสนุกหรือไม่สนุกไ่ลองไปลองไปเข้าอยู่ในเอาไปใส่ไว้ในที่ในตุมน้ำก็ได้นะแล้วกิ้งกิ้งไปกิ้งมาพลิกหัวพิกซ้ายพลิกเลยสารพัดนะ่ะกลับหน้ากลับหลังออกมาลาเมาอ้วกเลยนี่อยากเกิดดีนะ ชาติปีทุกขชาแล้วสวดแล้วไม่เคยสะดุ้งเลยนะตอนนี้เริ่มหรือยังเริ่มอ้วกแล้วอยากอ้วกแล้วเนี่ยไม่อยากเกิดอีกแล้วหน้าลำบากเวทนทุกขเวทนามากเมื่อมารดากินของเย็นเข้าไปสัตว์ในครันก็เยือกสยดสยองเหมือนสัตว์อยู่ในตกตกอยู่ในนรกอ่ะโลกันรตริยานโลกเย็นขนาดนั้น สยองเลยอ่ะอยู่ๆอากาศมันเปลี่ยนฟุ๊บหนาวขึ้นมาแล้วแม่กินของเย็นเนี่ยแม่อยากกินของเย็ น, นยลองไปมีมีลูกแล้วก็ไปทําแบบนี้บ้างห น, นาวแล้วจะเอาในล็อกขุมเย็นให้มันปให้เด็กมันรู้สึกบ้างก็กินของเย็นเข้าไปเอาถ้าแม่กินของร้อนล่ะโอ้โหเหมือนกับตกอเวจี v G เลยอ่ะเหมือนกับอยู่ในอเวจี v G เลยนะเนี่ย เวลากินของร้อนเข้าไปสัตว์ที่อยู่ในคันนั้นก็ทุกดิ้นทุรนทุลายอ่ะเหมือนกับอีกเขาบอกเหมือนฝนทานเพลิงมันตกลงมาใส่มันเหมือนเอาทานที่มีไฟใส่ย้อนใส่ตัวมันอ่ะโหมันดิ้นดิ้นดิ้นมันก็เป้ไปไม่ได้มันก็ถูกร็กรัดอยู่นั่นแหละพังผืดรัดอยู่นั่นแหะโอดิ้นดิ้นดิ้นขยับขยืน่นนะค้าวนะค้าวก็โอชาชินไปงั้นแหละทรมานมากร้องก็ไม่ได้ มันหุ้มอะไรปิดหมดแต่ทุกไหมทุกเพราะกายยบศาสตมันมีอยู่ไม่ ม, มีได้ไงแล้วไม่ทุกได้ไงใจก็มีกายก็มีสังเกตที่เด็กออกมาใหม่ๆเนะน่ะร้องแง๊แงๆแงกเลยอะและ้วนึกว่าเขาสนุกเลยเนี่ยตัวแดงใช่ไมั้ยทุรักทุเล <c oughs> ไม่อยากเกิดเลยอะ่ะว่องไงเด้อ มันดากินของเผ็ดกินของเค็มเข้าไปสัตว์ที่เจ็บปวดมากทั่วสปปรปพางเลยกินพริกกินของเผ็ดเข้าไปทั่วสั ป, ปพางร่างกายเลยนะดูดคนทั้งหลายเหมือนโดนอาชญานั่ยแหละว่าไงเถอะเหมือนยังไงดีนะเหมือนกระถูกแล่เนื้อออกมาแล้ว เ, เกลือใส่เอาเกลือทาแสบไหมเหมือนอย่างนั้นเลย แต่หลือหมดแล้วเนี่ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยพอพูดไปขำๆแต่มันทรมานอย่างนั้นจริงๆฉันเห็นเด็กในคันเวลาคนท้องมาใส่บาเนี่ยฉันสยดสยองทุกทีเลยเนี่ยฉันรู้ไงฉันเข้าใจมันเป็นยังไงทรมานยังไงขอให้เราอย่าได้ไปเกิดอีกเลยอย่าได้เกิดในคันอีกเลย ถ้าเกิดขอเกิดเป็นโอปปาติกาหน่อยดีไหมไม่ต้องอยู่ในคันนะโตขึ้นเป็นเทวดาไปเลยก็นด้นช่วยหน่อยจริงัหมแต่ห้ามโตอยากเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนะสัตว์นรกก็โอปิแบบโอปาติกาเหมือนกันนะไม่ได้มีคันหรอกเกิด <c oughs> พุบโตขึ้นมาเลยแต่อยู่ในกองไฟเลย <c oughs> เอาไหมไม่เอาแต่ทำไม่เอาก็อย่าไปทำบาปไม่เอาก็อย่าไปทำบาป เข้าใจคําว่าทุกข์สัตว์หรือยังนี่แหละชาติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์จริงไหมเหมือนแลเนื้อ เ, อเกลือทาเนี่ยสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสอย่างนี้แหละทุกอย่างนี้เขาเรียกกับคับพระปริหารระมูรากทุกทุกจากการที่คุณแม่บริหารคันเป็นมูลเขาบริหารก็คือการยืนการเดินการนั่งการนอน การคูการเหยียดก้าวไปถอยกลับแหลตรงแหลงเหลียวเนี่ยการกินกันกินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งที่คุณแม่ทําทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกบริหารบริหารครับโภคับพระปริหารมูรากทุกทุกจากการที่แม่บริหารคันก็คือบริหารก็คือการยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละเขาไม่ได้ต้องการจะปลุกเราอะไรนะแม่ก็ต้อง แม่ก็ท้อละมานอยู่แล้วแม่ก็ต้องยืนต้องเดินอยู่ท่าเดียวได้ยังไงละ่ะทุกมันบีบคัน้นเดี๋ยวก็ต้องไปยืนเดี๋ยวก็ไปเดินเด๋ยวก็ไปนั่งเด็กก็ไปนอนเดยวก็ไปกิน spielt, เดี๋ยวก็ไปถ่ายเดี๋ยวก็ไปดื่มไปเคี้ยวไปลิ้มก้าวไปถอยกลับแลตรงแ ล, งแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งโ อ, โ, โอ้โห uga, เนี่ยแม่ก็ต้องทุกจากทุกบีบคั้นไอ้ลูกอยู่ข้างในยิ่งแสนจเจ็บปวดใหญ่เลยทรมานใหญ่เลยทอนเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าครัพระปริหารมูรักะทุก ทุกจากการที่เมต้องบริหารนี่เป็นนี่ก็เป็นชาติที่ทุกประการที่สองหนึ่งเกิดสองอยู่ในครันประการต่อมาเนี่ยมาแม่บริหารแล้นี่ทุกทุกอันใดเมื่ออยู่ในครันมารดานอนขวางอยู่ถ้าไปนอนขวางอยู่ในท้องแม่หมอต้องจับต้องพาต้องจับต้องจับเท้าอชักลากออกมาโอ้โหนี่ทรมานใหญ่แต่เนี้ย ใช่ไหมมันตอนจะคลอดมันออกไม่ได้มันขวางเขาทำไงต้องล้วงเข้าไปอ่ะจับขาดึงออกมา <c oughs> ดึงออกมาต้องคิดดูดิทรมานขนาดแล้วผิวมันอ่อนนิดเดียวไอ้เด็กเนี่ยมันสลบเลยว่างั้นเลช็อกเด็กช็อกสลบเลยอ อ, อกมาแต่ทีมันนิ่งอะ่ะที่มันนิ่งอะ่ะนิ่งไม่พอยังจับโยงจับตบก้นเขาอีก <c oughs> โอ้ยแต่เราสทรมาน ทำกันขนาดนั้นเนี่ยนี่ทําแบบกรุณาสุดๆนะเนี่ยกรุณาสุดๆโหดไล่มากคือที่เขากลัวจะออกมาได้หนึ่งที่เขาน็อกไปเลยนะเด็กเนี่ยกลัวเขาจะน็อกตายไปก็ทำยังไงให้ฟื้นก็มาตีก้นปุ๊บปุ๊บ๊ป๊ปปม า, า, า, เาเขย่าเขย่าก็อีกโอ้โหทรมานสุดๆาะขนาดตอนนี้ลองจับดูเนี่ยจับหัวเขยา่าดูเลยยังทรมานจะตายอยู่แล้ว นี่ลองดิลองจับดูทีเห็นน้อยังเตีเยนีย้อันนี้เขาเรียกอะไรคับภาพวิปติมุระกทุกความวิบัติจากการที่หมอจะต้องจับผ่าจับหมุนทุ่งหมุนเท้านี่โอ้โหตอ น, นฉันฉันเกิด ฉ, ฉันเจอเป็นตรงนี้ยากมากฉันออกฉันคลอดยากมากนเลยนะฉันเนี่ยฉันอยู่ในท้องแม่ตั้งส0บเดือนที่ดูฉันทรมานขนาดไหน เขาอยู่กันเจ็ดแปดเดือนเก้าเดือนเขาก็ออกมาเลยวทนต้องทรมานตั้งสิบเดือนโว้ยทรมานไม่ยอมออกสักทีทรมานบาปประกรรมเยอะจัดแต่ี่าโพธิสัตว์นี้ท่านไม่ได้อยู่เหมือนเราเนี่ยโพธิสัตว์ท่านนั่งสมาธิเฉยอยู่ท่านไม่ได้มีอะไรรบกวนเลยอยหรือบางทีก็มีเขาเคยได้ยินคำว่าลมกรรมมชวาฏไหม ลมกำมชวาดเนี่ยลมที่อยู่ในตอนคุณแม่จะคลอดเนี่ยไอ้ลมกรรมชวาดมันพัดเอาตัวสัตว์เนี่ยมันบางทีมันมันพลิกมันไปพัดหมุนกลับเอาหัวเอาหัวลงเอาขาขึ้นแล้วเอาขาลงเอาหัวขึ้นเนี่ยไอ้ลมพวกเนี้ยลมกำมชวาดที่อยู่ในท้องแม่นเนี่ยแล้วศีรษาลงเบื้องต่ำบ้างขวางบ้างเนี่ยหวขวางคันเลยเนี่ยออกไม่ได้เลย ลมมันลมมันหมุนเด็กไธาตุลมอ่ะมันหมุนเด็ดผิดทางอ่ะขวางอ่าวออกไม่ได้เท้าออกไม่ได้ต้องเอาหัวออกหรือเอาอะไรออกต้องเอาหัวออกเห็นไหมเนี่ยเหมือนเวลาหมุนเนี่ยเวลาหมุนเนี่ยลมมันตีเนี่ยนะลมมันตีเพื่อจะหมุนหัวเด็กลงาจากหัวตั้งอยู่แล้วหมุนจะหัวออกเหมือนเหมือนตกในเหวที่ลึกเป็นเลยร้อยวา วุบเงี้ยวุบเบียงแรงแรงเนียโอโขนาดนั้นเลยเนี่น่นแหละมันแถนจะพลิกหน้าสะพึงกลัวมากหน้าหวั่นไหวมากเวลาจะออกจากช่องคอดเนี่ ย, ยแสนจะทุกขเวทนาเหมือนอะไรเหมือนช้างมันช้างสารเนี่ยคือจะต้อง ดันตัวเองออกในช่องดานที่มันเล็กๆเนี่ยออกในช่องเล็กๆเนี่ยเหมือนสัตว์ที่อยู่ในสังคาตานรกมาถูกบีบเหมือนภูเขาบีบเว้ยภูเขาสองข้างขนาบสาัตว์บีบสัตว์ให้มันเหมือนจะให้แหลกอย่างนั้นน่ะเหมือนอย่างนั้นแหละทุกเวทนานเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยคือไอช่องดานมันเล็กเนี่ยช่องมันเล็กตัวเองจะคูดออกมา คูดออกมาแล้วผิวละเอียดอ่อนมากเด็กนั่นนะ่ะทรมานมากเหมือนเหมือนเอาตัวเองรอดออกมาจากช่องของมิดโกนเนี่ยมันคูดหนังออกมาเหลือหนังเปิดออกมนหมดหมดเลยไงเหมือนยังอุ้ ย, <c oughs> ยทรมานสุด <c oughs> อยากอยากเกิดไหม <c oughs> อธิษฐานเกิดต่อ อธิษฐานไปเหมือนอย่างนั้นแหละอันนี้เขาเรียกว่ารับพระชายิกะโมละกะทุกข์ทุกจากการที่ต้องออกจากช่องช่องที่เล็กถูกบีบถูกคูดออกมาตัวนี่แดงวมเลยและเขาตัวของเขาเนี่ย มันผิวเขามันละเอียดมากละเอียดมากพูดออกมาข้างนอกนี่เวลาถูกไอ้เนี่ยอากาศข้างนอกนี่ เ, เหมือนถูกเผาเลยเขาไม่เคยเนี่ยมันอยู่ในบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งตั้งเก้าเดือนสิบเดือนเนี่ยพอออกมาทรมานสุดๆเลยเดียเยวนี้แล้วยังเอาไปล้างน้ําเอาไปโอ้โหทรมานแค่มือเขาจับอะแค่มือพวกพยาบาลจับหมอจับแค่นั้นก็จะช็อกตายอยู่แล้วเขาทรมานเขาขนาดนั้น ร้องก็ร้องใจจะขาดนะแก๊แก้แกๆ้กเลยร้องขนาดนั้นไอเด็กคนนั้นนะไอเราโอ้โหชื่นใจไม่รู้เรื่องไงดีใจมากดีใจมากไอกคนหนึ่งช็อกตายแล้วแต่ตายอีกสลบแล้วสลบอีกคือทรมานแสนสาหัสตั้งเป็นเก้าเดือนสิบเดือนออกมาแล้วก็เฮ้ดีใจกันโฮยมองอย่างนี้ยัง มันสุกที่ไหนนีทุกข์นีทุกข์ใช่ไหมหนี่ทุกข์กษัตริย์มันทรมานนั้นออกจากคันแล้วเวลาลับด้วยมือเนี่ยเอาอะไรไปขัดสีเขาเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนเอาเข็มไปแทงเขาเอาเข็มร้อยๆเลื่มไปแทงตัวเขาแป๊บๆแทงเขาเหมือนไปแทงก็เขาไงฮะ นั่นแหละเหมือนเอาเข็มไปแทงนั้นแหละแทงปะปะปะปะแทงตัวเขาก็เจ็บตลอดเวลาเลยยิ่งจับตรงไหนเหมือนเอาเข็มแทงเขามือเราหยาบใช่ไหมผิวเขาละเอียดมากถูกนิดเดียวก็เหมือนเข็มแทงแค่เขาถูกอากาศเขาก็เหมือนเข็มแทงอยู่แล้วนี่เอามือไปจับแล้วยังไปขัดเขาออกไปขัดสีออกทรมานขนาดนั้นเ น, นตัวแดงหมดเลยตัวแดงเราไม่เคยรู้เลยอเด็กคนนั้นเจ็บแทบตายเจ็บแทบตายเนี่ยเป็นเงี้ย เกลบปวดทั่วสปปรปพางทั่วร่างกายทุกอันนี้เขาเรียกคัพพระนิกะคมนะมูลกทุกทุกจากการที่นี่ทุกเป็นคำลบ5ก็เป็นข้ อ, ขอที่5แล้วนะีจากการถูกมือถูกขัดสีถูกอากาศที่เข้าไปกระทบผิวกายของเด็กคนนั้นจําเดิมแต่ทารกนั้นออกมาจากครรแล้วจเจริญไวกว่ากันนเจริญไวบางทีไอป้ปุพรกรรมเนี่ยติดตามมาก็ นะเขนะเขก็ถูกลงโทเรรษเลยสารพัดหมดถูกเคียนถูกตีถูกดา่าถูกว่าเลยสารพัดหมดเนี่ยนี่เป็นอัตตู ป, ปะกะมูรากทุกก็คือทุกจากการที่พอเกิดมาแล้วก็โหทําตนเองบ้างโดนกระทาบ้างทําผิดบ้างทําถูกบ้างโดนทิพย์โดนทุบ โ, โ, โดนตีโดนด่าบ้างหกล้มบ้างสารพัดที่เราเป็นกันมาเนี่ยเนี่ยจนมากันทุกวันเนี่ยจะทุกไม่ใช่น้อยเลย ทุกจากการใช้ชีวิตไม่รู้เรื่องรู้เล่าบ้างอะไรบ้างสรารพัดหมดเนี่ยนะเพล่เพลก็นั่นแหละทุกจากการต้องโทษก็มีบางคนก็ถูกเคียนถูกตีกับนี้ถูกฆ่าก็มีบางทีก็เครียดแค้นชิงชังโกรธฆ่าตัวเองก็มีน้อยใจตัวเองเบียดเบียนตัวเองก็ดีใช้ชีวิตผิดพลาดโผล่คอตายก็มีกินยาตายก็มีวูสรารพัดเห็นล ะ, ละงมไปหมดในโลกใบเนี้ยใช้ชีวิตไม่เป็น ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมยังไงไปเครียดไปโกรธตัวเองไปทําอะไรผิดผิดพลาดพลาดกินของที่ไม่เป็นประโยชน์บ้างอะไรบ้างสารพัดหมดใช้ชีวิตไม่ถูกต้องสารพัดหมดเลยใช่ไหมเรางอมไปหมดในกองทุกเนี่ยเพราะโมหะกินเล้วไม่รู้เรื่องเป็นไหมเนี่ยทุกจากการที่ใช้ชีวิตประการหนึ่งก็ทุกอันใดที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องถูกเครื่องสตราวุฒิก็มี ต้องโดนประหารก็มีก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกทั้งปวงที่มันเกิดแก่บุคคลที่เกิดในโลกเนี่ยทุกคนเลยนะมีชาติเพราะชาติที่ทุกเนี่ยเป็นปัจจัยทุกเพราะการเกิดนี่เป็นปัจจัยถ้าไม่มีการเกิดแล้วก็ไม่ต้องมีการอยู่ในครันถ้าไม่มีถ้าไม่มีการเกิดแล้วก็ไม่ต้องไปทรมานอยู่ในครันไม่ต้องมีการเคราะถูกอะอที่จะต้องคูดออกมาจะต้องมาถูก ทุกทั้งหลายนานาประการเนี่ยไม่ต้องมากินยาตายไม่ต้องมาใช้ชีวิตผิดพลาดไม่ต้องมาเครียดมาก้มมาทุ่งเละมันมาจากไอชาติทุกข์นี่แหละเป็นเหตุใช่ไ้ยเป็นปัจจัยเนี่ยมันถึงเนี่ยสัตว์ทั้งหลายในในในรกสวยทุกขเวทนาที่เพลิงเผาทั้งหลายเล่นี้ก็ไอชาติทุกข์นี่เป็นปัจจัยทั้งนั้นนี่จัดมาเป็นทุกข์ด้วยนะ สัตว์ทั้งหลายมันเกิดในสัตว์เดรัจฉ า, านต้องเถวยทุกขเวทนาถูกแมลงกัดทั้งหลายเหล่านี้เต็มไปหมดไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ไดบรรดาเบญสัตว์ทั้งหลายมีวัวควายเป็นตัวเหล่าเนี้มันมาจากอะไรมัมาจากไอเนี่ยชาติทุกเนี่ยเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายที่ไปเกิดเป็นเปรตต้องโดนทุกขเวทนาอดข้าอดน้ำบ้างทนแดดทนฝนเป็นตัวเหล่าเนี้นะต้องสวยวิบากจากในการไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีเปรตก็ดีเนี่ย มันมาจากอะไรหลวก็มาจากชาติทุกข์นี่เป็นเหตุแม้แต่พวกเราทั้งหลายที่มาทรมานกันอยู่จนทุกวันนี่นก็มาจากไอชาติทุกข์นี่แหละฉะนั้นคําว่าชาติปีทุกขาต้องชัดเนี่ยมันเป็นปัจจัยเกิดทุกข์จริงๆมันเป็นตัวทุกข์ตัวมันเองไม่พอยังเป็นปัจจัยทุกข์นานาประการตามมาอีกเยอะแยะหมดเลยเนี่ยนี่เขให้เห็นแบบนี้นะให้เห็นแบบนี้นี่ชาติทุกข์แล้วจะทากันยังไง เห็นอย่างนี้แล้วมันถึงอยากจะออกถ้าไม่เห็นอย่างนี้อยากออกไหมเอาเห็นอย่างนี้ชื่นใจไหมเนี่ยนี่อย่างนี้เอาใจเข้าไปรับอีกวางท่าทีทังใจผิดอีกเขาเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยใจให้เอาปัญญาเข้าไปรู้ไม่ใช่เอาใจเข้าไปรับทํำผิดพลาดอีกขนาดยังอยู่ยังนั่งศึกษาธรรมะยังผิดพลาดเลยเนี่ย โอ้ยโลกนี้จริงๆก็งเขาหเห็นแล้วเกิดความสะดุ้งสะเทือนแล้วเกิดสังเวชญาณนะสะดุ้งสะเทือนว่าฉันจะต้องออกจากชาติทุกข์ให้ได้ใช่ไหมญาณปัญญาที่เข้าไปเห็นแล้วเกิดสะเทือนใจแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกข์ใจสังเวชญาณนะก็คือเห็นช่องทางออกแล้วเห็นแนวทางแล้วเห็นจุดหมายปลายทางแล้วว่าเราจะไม่ไปเกิดอีก มันเห็นอย่างนี้ไปชะไปเห็นแล้วงอเห็นแล้วไม่มีปัญญาก็แล้กหมดทางไปเข่าอ่อนขาอ่อนช็อกหมดแรงลงไปอ น, นี่ก็แล้กเห็นด้วยใจเข้าใจยังเขาเห็นด้วยปัญญาหรือเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญาเขาปัญญาเ็าไปรู้ไม่ใช่ใจเ็าไปรับทุกเป็นทุกขังปริญญาย่ยังน่ะทุกควรกําหนดรู้ควรรอบรู้ทุกเป็นกิจของปัญญา เป็นหน้าที่ของปัญญาก็ต้องคอยไปรู้ไม่ใช่เอาใจก็ไปรู้พอพูดเรื่องทุกข์ทีไรก็จะร้องไห้กันอยู่เรื่อยเลยเนี่ยชอบนึกว่าเป็นภาพยนตร์เลยอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> มองเห็นที่ยังทำกิจในทุกข์ผิดกันอยู่เรื่อยเลยพอไปเห็นบางทีบางทีไปเห็นคนอื่นทุกข์เห็นคนอื่นเ้าเครียด เห็นคนอื่นเขาประสบปัญหาชีวิตช่วยเขาไม่ได้ร้องไห้ส่งเลยนี่เป็นถ้าอย่างนี้เนี่ยทำกิจในทุกผิดหรือถูกถ้าเห็นแล้วต้องทำยังไงต่อหัวะเลาะกากเลยว่ะกูว่าแล้วอยากโง่ดีพูดอย่างี้ว่าไม่ใช่อย่างนั้นเห็นปุ๊บเนี่ยให้เข้าใจ เราจะช่วยเขาได้อย่างไรเห็นแล้วชื่นใจหาทางออกได้เ ร, เราจะช่วยเขาได้อย่างไงเป็นต้นเหล่านี้นี่เหมือนกันพอเห็นชาติทุกข์แล้วเห็นทางออกแล้วยังเราจะไปนิพพานเราจะไม่ไปชาติทุกข์ชาติทุกข์เราไม่เอาเราจะเอานิพพานเราจะเอาพ้นจากเกิดเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมจิตเราน้อมไปที่ไม่เกิดเพราะเกิดเป็นทุกข์นิพพานเป็นบรมสุขนี่เราแยกกันออกแล้วนิพพานเป็นบรมสุข แต่เกิดนี่เป็นทุก์เป็นมหันต์ทุกข์เราจะไม่ไปมหันตทุก์แต่เราจะไปหาสุขคือพระนิพพานเราจะต้องพ้นจากการเกิดให้ได้เราจะไปพระนิพพานให้ได้เราจะไม่เอาเกิดแต่เราจะเอานิพพานเพราะนิพพานตรงข้ามกับเกิดใช่ไหมตรงข้ามกับชาติทุกข์นิพพานเนี่ยเป็นเป็นสภาวะที่ดับชาติทุกขนี่ดับความเกิดนี่ฉะนั้นจะเอานิพพานฉะไม่เอาเกิดจริงไหมจริงหรือจะเอาเกิดอยากเกิดไหม อธิษฐานที่ขอให้เกิดเป็นลูกของแม่ทุกชาติไปขอให้เกิดเป็นลูกของพ่อทุกชาติไปอธิษฐานไปขอให้ฉันประสบวิบัติประสบชาติทุกข์เนะไปเกิดในท้องแม่ให้ทรมานก็อันเดียวกันนี่แหละให้ทรมานในท้องคุณพุอแม่ออกมาก็ให้ทรมานฟังกันเถอให้ประสบปัญหาชีวิตเยอะๆอันเดียวกันกบอธิษฐานเกิดนะ่ะโอ้ยลากมาก รักแม่มากรักพ่อมากรักลูกมากโอบกันอยู่นั่นแหละมาแทบจะว่าแทบจะไม่จากกันเลยว่างั้นเดออธิฐานไปขอให้เกิดกันทุกชาติทุกชาติทุกชาติไปไปถึงปุ๊บไปเจอพ่อแม่อธิฐานเลยนะขอเกิดเป็นลูกอะไรเนะียอะไรอนะไรเนี่ยขอเกิดเป็นข้าบาททุกชาติไปนั่นแหละคืออธิฐานเกิดผิดหรือถูก ยังอยากจะเกิดอีกทรมานกันขนาดนี้ยังอยากเกิดอีก <c oughs> ในหลวงท่านบอกท่านก็บอกฉันก็ทุกข์แทบตายอยู่แล้วจะมาเกิดเป็นข่าฉันได้ทำไมฉันก็อยากจะพ้นจากการเกิดอยู่ใช่ไหมท่านก็ต้องการานิพพานไอ้เราก็บอกจะขอเกิดเป็นค่าเพราะบาด ท, ทุกชาติไปอะไรก็ไม่รู้มันมืนกันทั้งประเทศไหมเนี่ยขอภัยในโปรดกรรเนี้ยมืนหรือไม่มืน มึนงงกันหมดแล้วก็ไม่มีใครให้ข้อมูลสักทีต่อไปไปช่วยให้ข้อมูลกันหน่อยจะงงงงกันใหญ่แล้วเนี่ยประเทศเนี่ยงงกันใหญ่ก็ชาติทุกใช่ไมแล้วถูกสอนให้รักชาติคือการเกิดแต่วุฒจยาบอกให้ทำลายชาติ ทำลายการเกิดเสียให้เข้าถึงนิพพานเนี่ยใช่ไหมล่ะสวนทางกันไห อ, อชาติปีทุกขาไอชาติเนี่ยเป็นทุกข์ความเกิดนี่เป็นทุกข์ชราติปีทุกขาก็ความแก่เป็นทุกข์เอาต่อไปดูตัทธกตเมเป็นต้น ดูก่อนพิกษุทั้งหลายชลาอันใดที่ตถาคตตัดไว้เนี่ยว่าชลาเนี่ยเป็นทุกข์ไหมชลาก็คือสภาวะที่ทำให้อินทรีย์คร่ำคร่าวิกฤวิการวิปริตต่างๆชลานี่นะอินทรีย์ IN C, คืออะไรบ้างเนี่ยตาหัวจมูกลิ้นกายใจเป็นอินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ยผมก็งอก ฟันก็หักแก้มก็ตอบผิวหนังก็หดหู่เหียวย่นเป็นเกลียวแล้วตาก็มืดมัวตอนนี้แต่บางคนก็สายตาสั้นมาตั้งเจ็ดแปด้อยแล้วมั้งบางคนเนี่ยสั้นหรือยาวเท่าไรนี่เขาเรียกว่าชลาจัดแล้วตาน่ชลาจัดแล้วชลาจนถึงขนาดตั้งแปดร้อยเก้าร้อยจะเป็นพันอยู่แล้วเนี่ย ยังประมาทอยู่เลยนะเนี่ยอุ้ยมีคอนแทคเลนส์ใส่ได้ใส่ได้ยังไหวยังไหวว่างั้นนะฉันยังไม่แก่ล้อกว่างั้นนะที่ไหนได้ชลาซะจัดแล้วบังคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับเนี่ยมันชลาไม่เท่ากันนะวิปริตมันวิกลวิปริตไม่เท่ากันหรอกแต่ที่ไหนได้มันไปเกือบหมดแล้วเอาดึงกันไว้ดึงกอาไว้อย่าเพิ่งให้มันชลา ปกครองเขาไว้ไหวไหมเอาไหวไหมสู้ไหวไหมฝืนธรรมชาติไหวไหมวิทยาการเจริญแล้วไม่ใช่หรือไหวไหมมันชะลอในความรู้สึกได้แต่ความเป็นจริงไม่ได้เลยมันมันมันแก่ทุกขณะแก่อยู่ตลอดเวลาวิปริตอยู่ตลอดเวลานะ ท่านใช้คำว่าควรที่จะสมเพศเวทนาคำว่าสมเพศเวทนานี่คือควรจะเกิดสังเวะแต่ไม่ใช่ควรไปทุกข์มั้งนี่ชราทุกข์เนี่ยบุคคลทั้งหลายเห็นชราทุกข์ด้วยด้วยตาได้ไหมไม่ได้ตาไม่สามารถจะไปเห็นชราทุกข์ได้แต่ปัญญาต่างหากที่จะไปเห็นชราทุกข์ได้ ตาเนื้อไม่มีทางจะเห็นชรลาทุกโอ้โหทั้งนั้นน่ะก็ออกมันก็ประพฤติปฏิบัติพ้นทุกกันหมดแล้วเราเห็นคนผมหงอกกันมากี่ครั้งกี่คนแล้วเห็นฟันหักหนังเหี่ยวย่นใช่ไหมล่ะอากับกลียยาวิปริตทั้งหลายเยอะแยะตาเราเห็นทุกวันแต่เคยสะเทือนใจไหมเคยสะดุ้งสะเทือนไหมไม่เคยเลยเพราะมันเห็นด้วยตาเนื้อไม่เห็นด้วยตาปัญญา แต่การที่จะเห็นทุกข์ได้มันเห็นด้วยตาปัญญาไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อใช่ไหมทุกขังปรินยอยยังเนะี่ยมัเห็นด้วยปัญญารู้ต้องเอาปัญญาเข้าไปรู้มันถึงจะเกิดความสะดุง้งสะเทือนต่อให้เอาเอางี้นะยอมพี่ยิ่งใหญ่ไปตั้งไปตั้งนะสถานสงเคราะห์คนชลาแล้วก็เกณฑ์คนชรามาสักห้าพันคนแล้วดูแลดูทั้งชาติก็ไม่เห็นไม่เห็นว่าชลาเป็นทุกข์พอมันเห็นด้วยตาเนื้อ แต่ถ้าไม่เห็นชราเพียงด้ว ย, ว ย, ต, าวยตาปัญญาเพียงครั้งเดียวเราโหสะเทือนใหญ่เลย เ, ยเนี๋ยนี้ไม่เอาแล้วเป็นทุกข์ฉันจะไม่ยอมแก่เด็ดขาดฉันจะเอานิพพานนิพพานไม่มีชร า, า, าเนี่ยนิพพานดับชราเนี่ยใชไม่เล่าฉันจะไมเอานิพพานฉันจะเอานิพพานฉันจะไม่เอาชลาฉันจะไม่แก่อีกแล้วในสังสารวัฏฉันจะไม่แบบสบกับมันจะไม่ไปเดือดทุกนี้อีกแล้วเป็นอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจอย่างเดี๋ยวนี <c> ้ <oughs> โหกว่าจะเข้าใจกันได้ ต้องเห็นด้วยปัญญาจากสุ่ความชลาเนี่ยไม่ได้ปรากฏแก่คนทั้งหลายบุคคลทั้งหลายเห็นผมหงอกแล้วเห็นฟันหักแล้วเห็นผิวหนังเหี่ยวยน่นเป็นเกลียวเป็นต้นแล้วเห็นคนหูหนวกหูตึงเป็นต้นเหล่านี้แล้วเนี่ย ก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนเลยไม่เห็นว่าเป็นเหมือนไฟที่มันไหม้เราเคยเห็นว่าไฟคือชลามันไหม้ตลอดเวลามันไหม้ใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมไฟคือไฟคือชลามันไหม้มาทุกจุดของของอวัยวะมันไหม้มาพอมันไหม้หมดก็คือมันตายไงก็เป็นมดนะไง ตอนนี้มันไหมมาเยอะยังเยอะแล้วบางส่วนตายไปหรือยังบางส่วนไหมหมดแล้วไม่เหลือแล้วเราไม่เคยเห็นในชลามันเคี้ยวกินเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นไฟคือชลาเนี่ยมันไหมตลอดเวลาแล้วเลยยังดับไม่ได้นิพพานน่ะคือเป็นตัวดับเป็นสภาวะที่ดับชลาทุกได้แต่ถ้าตราบใดยังไม่ถึงนิพพานแปลว่าเรายังดับไฟคือชลาไม่ได้ดับไฟคือชาติทุกข์ไม่ได้ ตอนนี้มันไหมอยู่ตลอดเวลาไหมอยู่ทุกขณะไหมอยู่ทุกขณะจิตไหมทุกขณะจิตแต่เราไม่เคยสะเทือนใจเลยนอนหลับกันสบายเที่ยวสบายกินสบายดื่มสบายกันอยู่เนี่ยยังเฉยเฉยมึนม น, มนงงงไอ้เจ้านี้โมหะกินแท้ใช่ั้มโมหะครอบงามไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนคนบ้าคนหนึ่อ คนบ้านอนอยู่ ไ, ไฟก็ไหม้ข้างๆไอ้เจ้านี้ก็นอนไม่รู้เรื่องรู้ราวเราไปเห็นเราก็ขำาไอ้นี่ไม่รู้จักไม่กลัวตายเลยว่างั้นเราหนักกว่าเจ้านั้นอีกไอ้เราก็เจอเจอไฟคือชลาเผาทุกจุดลมเลาออกมาทุกจุดตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตวใจตับปอดไตใหญ่ไตน้อยหันใหม่หันเก่ามันสมองทุกจุดของรูปธรรมเนี่ยมันฉลาบีบคั้นมาทุกจุดจะใกล้ตัวมอต่อมรณะอยู่แล้วยังนอนเฉยกันอยู่เลย ไม่เคยเสะเทือนใจเลยนะเนี่ยขนาดาพ้าโพดขนาดนี้ยังไม่เห็นมันเห็นด้วยตาเนื้อหรือเห็นด้วยตาปัญญาเห็นด้วยตาปัญญาต้องเพิ่มปัญญาขึ้นมาใหม่แสดงว่าสุดตาที่ผ่านมาไม่ดีแน่นอนเนี่ยข้อมูลไม่ถึงเลยไม่เห็นภัยคือชราใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเห็นชราไม่มาโถมเข้ามาทุกจุดของกระแสชีวิตแล้วท่านทั้งหลายต้องสแสวงหาอะไร สแสวงหาพระนิพพานสแสวงหาอริยมรรคได้อริยมรรคแล้วจะได้ดาเนินไปสู่พระนิพพานจะได้ดับชลาได้ไอตัวดับชลาจริงๆคือนิพพานเท่านั้นอย่างอื่นดับชลาไม่ได้แค่เราแค่เราหยุดเดินมรรคหนึ่งขณะจิตก็ชื่อว่าประมาทแล้ว แค่เราหยุดเดินศีลสมาธิปัญญาเจริญศีลสมาธิเคียงเราหยุดทําให้โลภะโทสะเกิดขึ้นขณะจิตหนึ่งก็เชื่อว่าประมาทมากแล้วจริงไม่จริงแล้วเราก็บอกว่าไม่เป็นไรลรอฉันก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆฝึกหัดค่อยๆปฏิบัติไปว่างั้นนะค่อยๆเรียนรู้ไปแต่ชลามันค่อยเป็นค่อยไปกับเราไหมทุกจุดเลยไหม แต่เราไม่เคยเห็นนะว่าทุกจุดตัวมันลุมเล้ามาหมดมันบีบคั้นมาทุกจุดแล้วเราคิดว่ามีเวลาหรือเรามีเวลาเหลือเรามีเวลาเหลือพอที่จะศึกษาเช่นทางในการขึ้นสู่อริยมรรคหรือสัมเพราทองสัมเพราธรรมลํานี้เพื่อจะเดินไปสู่จุดหมายคิดว่ามีเวลาเหลือเราเข้าใจผิดแล้วผิดมากด้วยไม่ใช่ผิดน้อย มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเรานี่ว่าฉันยังมีเวลาเหลือเฟือแต่ที่ไหนได้โอ้โหมันเผาหลนมาทุกจุดมันเผามาทุกจุด <c oughs> ถ้าคิดเป็นนั่งไม่ติดเห็นไหมเว้นไว้แต่เสแซ่งแก้งมึนมันบางทีมันมึนเพราะไม่มีเพราะไม่รู้จริงมีนะเหมือนคนบ้าเหมือนคนเมาคนบ้าคนเมาเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอแต่เราเนี่ย เมาเพราะโมหะบ้าเพราะโมหะบ้าเพราะกิเลสเนี่ยมันลุ่มเราเราก็เลยไม่กลัวไม่กลัวก็คือคนบ้าไม่กลัวผีคนบ้าไม่กลัวผีคนบ้าก็ไม่กลัวตายเราไม่มีอยู่กลุ่มเนี้เราเราเป็นกลุ่มนี้ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้พอเริ่มหายบ้าขึ้นมาเราจนกลัวผีเขาไฟเราจึงกลัวไฟเราจึงกลัวตายโอ้ไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยถ้าตายแล้วยุ่งเลยเนี่ย ตอนนี้เริ่มหายบ้ายัางหายขึ้นมานิดๆหายเป็นพักๆใช่ไหม <c oughs> บางครั้งก็กไปบ้าต่อหายบ้าเป็นพักๆเดี๋ยวก็ไปบ้าต่อโหเราน่าจะเรียนอริยสัจแบบนี้มาตั้งแต่อายุห้าขวบนะี่เสียดายนะนะอ๋อแต่นั้นไม่เข้าใจอีกนะนักวิสาขาเป็นลูกกี่ขวบ เขวบเห็นไหมเจ็ดเข้าใจไม่เข้าใจน้าวิสาขาบปรลุเจ็ดขวบแล้วตอนนี้เรากี่ขวบเลยเวลาบรรู้หรือยังเห็นไหมว่าจริงๆคนเจ็ดขวบเขาบรรลุกันนึงเยอะกิจกสังสกิจญาสัมเดชก็เจ็ดขวบสุขาสัมมเดชก็เจ็ดขวบวเยอะยิ่งนับไปยิ่งเสะเือนใจ ไม่มีเราในนั้นเลยเนี่ยยิ่งนับยิ่งเตือนใจเราไปมัวหลงอะไรอยู่ก็ไม่รู้ เ, ออเขาจะนิบคนมีปัญญาเขาอยากจะนิบพ่านกันคนด้อยปัญญาก็ อ, อยากจะเกิดปรารถนาเกิดปรารถนาแก่ปรารถนาเจ็บปรารถนาตายปรารถนาความโศความลำไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจปรารถนาความขับแค้นใจปรารถนาความพัดพลากปรารถนาไม่สมปรารถนาผิดหวัง ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยเนี่ยเราเป็นคนปรารถนากลุ่มนี้ไงเพราเราปรารถนาเกิดไอตัวเกิดมันเป็นปัจจัยแห่งได้ได้สิ่งเหล่านี้มาทั้งหมดนี่พวกเรามันปรารถนาผิดเขาปรารถนาจนิพพานแต่เราก็ปรารถนาเกิดเขาปรารถนานิพพานเดี๋ยเราก็ปรารถนาแก่เขาปรารถนานิพพานแล้วปรารถนาเจ็บไข้เขาปรารถนาพระนิพพานเดี๋ยวเราปรารถนาตายนี่เนียเรามันเรามันตั้งจุดหมายผิดผิดมากเพราะโทษไม่ได้ครบ บัณฑิตไม่ได้ครบสัมไม่ได้ครบกรัลยาณมิตรไม่ได้พบสมาทิฏฐิบุคคลนี่แหละไม่ครบกรัลยาณมิตรไปครบปาปะมิตรซะหนิเราจึงถูกให้ปรารถนาหรือตั้งความหวังวิาผิดพลาดหมดเลยใช่ไหมเออปรารถนาเกิดอยากเกิดเห็นไม่ยากหรอกว่าอยากเกิดหรือไม่อยากเกิดเห็นเด็กๆแล้วดีใจไหม โอ้ยเด็กดีใจอุ้มชื่นใจเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเราชอบการเกิดชอบการเกิดชอบการเกิดแสดงเรา ย, ยังยินดีในการเกิดอยู่นะพอเห็นเด็กเล็กๆเนี่โอ้ยน่ารักมากจริงๆว่าชาติปีทุกขาไปเห็นตรงนี้ต้องสะเทือนใจโอ้โหตายแล้วมาแล้วไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยบาปไม่รู้บุญไม่รู้ ม, ม, มัวเมาด้วย เห็นไหมไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเด็กคนเนี้ทำบาปก็ไม่รู้ทำผิดก็ไม่รู้แยกบุญแยกบาปก็ไม่ออกโอ้โหยน่ า, ากลัวมากเดี๋ยวไปตกนรกแน่เนี่ยถ้าตายตอนนี้ก็ตกนรกต่อเลยเนี่ยเด็กคนเนี้ยแยกบุญแยกบาปก็ไม่ได้เห็นอย่างงั้นสะเทือนไหมฉันเห็นเด็กไดอะไรฉันสะเทือนใจมากสะเทือนใจนึกโอ้โหอะไรขนาดนี้น เห็นผมหอกเห็นฟันหั ก, หกเห็นหนังเหี่ยวย่นแล้วหูตึง <c oughs> ก็ไม่เห็นนะไม่เห็นเนี่ยชนทั้งหลายรู้ว่าไฟคือความแก่มันเผาลนเนี่ยถ้าเห็นด้วยตาเนื้อ <c oughs> ก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นความจริงไนดะ้ ชนทั้งหลายเห็นเขาฟันหักหนังเหี่ยวย่นตามืดมัวหูตึงเห็นกระรัชกายขําค่้าผมหงอกก็รู้ว่าความชลาอุปมาว่าประการหนึ่งชลานี้ขับอายุทั้งสัตว์ทั้งหลายน้อยลงบีบคั้นในน้อยลงทีนี้ถ้าเรามองว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วเนี่ย ทุกวันทุกคืนเนี่ยไอตัวชราทุกทั้งหลา ย, ยมันบีบเบียดเบียนเนี่ยทั้งทวารตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้งอาการส2มสองเนี่ยมันวิกวลวิปริตต่างๆเหล่านี้ร่างกายที่มันเหย่ยวย่นแล้วก็เขาบอกว่าหน้าสงสารนักหนาวานกายของเราเนี่ยมีตันหาคือนายช่างปลูกขึ้นมาแล้ว ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเอันตันหาคือนายช่างเป็นผู้ก่อร่าง ก, ก็ก่อตัวขึ้นมาปลูกขึ้นมานี่เป็นอย่างนี้ไอตัวตันหาเนี่ยมันก็แรกๆเนี่ยมันก็ยกกระดูกเท้าทั้งสองข้างขึ้นมาเป็นแท่นรองกัไว้บางทีมันอย่างงี้มันยกกระดูกเท้ากระดูกสองข้างนีนะ่เป็นแท่นรองเบื้องต่า แล้วก็ยกกระดูกแข้งและกระดูกขาเนี่ยนะทําเป็นเสาไอ้ต้นหามันยกมาทําเป็นเหมือนเสางั้นแหละแล้วก็ยกกระดูกเอวเป็นเหมือนรอดเนะี่ยเหมือนรอดกระดูกเอวเหมือนรอดแล้วยกอะไรอีกสวมกระดูกสีข้างทําเป็นเหมือนกรอนทำเป็นเหมือนกรอ น, ป, น, น, รอนประตูเป็นต้านเลยซ้อนกระดูกสันหลังเป็นเหมือนอกไก่รู้อยากอกไก่ไหม อ, อกไก่คืออะไรฮะไม่ใช่ไอตัวไ อ, ไอบ้านเน่ยตรงไหนก็อกไก่ฮะตัวคานใช่ไหมน่ะคานเนี่ยกคานเนี่ยก็นเรียกอกไก่ถ้ากร ะ, ะดูกสหลังกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมัอนอกไก่เหมือนอกไก่เรือนเนี่ยบ้านหลังเนี่ย นี่แหละไอ้ตันหามันยกขึ้นแล้วก็กระดูกคอกระดูกไหลเอาเป็นคือทำเป็นคือไหนคืออยู่ตรงไหนฮะเออได้แหละคือเป็นตัวดั้งนี่นเลยนะเป็นดั้งตั้งลงยกกระดูกศีรษะทำเป็นช่อฟ้าข้างบนไว้ข้างบนแล้วก็กล้าวมวยผม เป็นยอดช่อฟ้าไป <c oughs> เป็นยอดช่อฟ้า <c oughs> นี่ตั้หามันยกไว้ห้อยซึ่งแขนทั้งสองข้างทาเหมือนเป็นป้านลมรลือจากป้านลมไหมเรือจากป้านลมไหมก็นี่ไงก็เหมือนเป็นอะที่ด้านข้างที่กันลมไว้เรียกป้านลมนั่นแหละเหมือนกับนี่ยกกระดูกแขนห้อยห้อยคอยปัดไปปัดมาอย่างนี้นี่แหละ แล้วก็หนังหุ้มกระดูกนะเอาหนังหุ้มกระดูกหุ้มกระดูกหุ้มกระดูกอ ก, อกนี่นะเป็นเหมือนฝาแล้วก็รัดลึงด้วยตอกและหวายตอกและหวายก็เหมือนกับเส้นเอ็นเส้นเอ็นทั้งหลายน้นอยใหญ่นี่แหละแล้วก็ฉาบท้ายด้วยปูนคือเนื้อและเลือดเนี่ยไอ้ตั้นหามันมันมันแต่งขึ้นมาหมดเลยสริระเนี่ยเนะี่ย เสร็จแล้วก็ประกอบประตูประตูก้าวก้าประตูเลยทีเนี้ยท้งตาเนี่ยจากขุทวานสองนีเป็นประตูรูประตูทั้ยวงหูอีกสองเนี่ย 2, เป็นสองสองช่องเลยเนะทั้ทงจมูกอีกสองช่องทั้งปากอีกหนึ่งแล้วก็ปัสสาวะช่องปัสสาวะกับอุจจาระอย่างละหนึ่งเป็นทวานนี่แหละเป็นอย่างเงี้ย มีทั้งจากขู่ประสาทโซตักประสาทคณะประสาทเชีวหาประสาทกายะประสาทแล้วก็บอกผิวไว้ด้วยหนังถ้าฉาบทาไปด้วยเหมือนกับนั่นแหละเป็นหนังปกคลุมไว้ทั้งหมดแล้วเราก็เอาพวกเอาขมิน่นบางเอาของหอมบางมาทารอบนอกตกแต่งตกแต่งให้ดูดีทาสีทาสีให้ดูดีหน่อยแล้วใครจะใส่สีไหนก็ใส่กันไปนี่แหละเนี่ยอัตราภาพเป็นอย่างนี้แหละ เรือนคืออัตภาพนี้มิอาจจะตั้งอยู่ถาวรได้หวันไหวโครงเคลงไปตามต่างๆเนาะไปตามทุกๆียาบทยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเนี่ยมันโครงเพลงอยู่ตลอดเวลาบ้านหลังเนี้ยเรือนหลังเนี้ยในการก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งเรือนนี้ก็โครงเครง ทีต่ตลอดเวลาเนี่ยหนักเข้าหนักเข้าก็มีเสียงด้วยหนักเข้าเนี่ยพอมันเริ่มโครงเพลงมากขึ้นเนี่ยเวลาจะลกจะเดินเสียงร้องไปด้วยโอ้ยลกไม่ค่อยไหวแล้ยเริ่มร้องกันนะเสียงกรอกแกรบกรอบแกรบไปเรื่อยขยั บ, ข ย, บขยื่นเคลื่อนไหวเนะ่ยในในตัวผู้ขยุงเองก็ร้องจะเดินจะอะไรหนักเข้าหนักเข้าจะไม่ค่อยไหวแล้แต่เสียงครวญแล้วสวยทุกเวทนานี่เป็นอย่างเนี้ย ใหม่ๆก็ดูเหมือนดีนะก็พอต่อไปต่อไปแต่นี้โอ้โหเริ่มเศร้าซ้อยละหวละ่วยอะไแต่นนี้หน้าตาเริ่มบ่งบอกไปไม่ไม่ไหวแล้วเนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้แหละถ้าถึงบอกว่าไอตัวชลาเนี่ยมันเบียดเบียนสัตว์ให้สวยทุกเวทน า, นาอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าจึงตรัสว่า น, นี่แหละคือชลาทุกทุกเพราะความวิปริตแห่งแห่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น เห็นทุกไหมเห็นทุกหรือยังชาติทุกชราทุกต่อไปก็คือพยาธิทุกหวัวพยาธิทุกเนี่ยแรงมากนีเพราะเหตุที่ว่ามันแปลปรวนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบางทีก็ทําให้เย็นบางทีก็ทําให้ร้อนเราไม่เคยคิดเลยนะว่าเย็นกับร้อนเนี่ยมันทำให้มันเป็นความป่วยเ ย, เย็นเนี่ย เย็นน่คืออาการป่วยร้อนน่คืออาการป่วยเวลาเย็นปุ๊บเราทำยังไงต้องแก้ไขไหมแก้ไขด้วยหาอะไรมาทับมาทำให้มันอุ่นนั่นแปลว่าอาการป่วยมันกําเริบจริงต้องแก้ไขร้อนขึ้นมาปุ๊บต้องแก้ไขไหมเนี่ยต้องแก้ไขเนี่ยเห็นไหมเย็นกับร้อนเนี่ยคืออาการพยาธิกําเริบคือนั่นคือป่วย แต่เราไม่เคยเห็นว่าเราป่วยแต่ที่จริงป่วยนั่นแหละคือป่วยเราเป็นเราถูกปกเราถูกสอนมาว่าเราไม่ป่วยแต่ป่วยเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ปฏิสนธิมาเลยก็ป่วยกันตลอดเย็นร้อนตลอดเย็น ถ้าเย็นมากเกินไปทนไม่ไหวตายร้อนมากเกินไปทนไม่ไหวก็ตายมันบีบไปหาความตายอพยาธิเนี่ยเอางี้เราไม่มีอะไรติดตัวเลยเอา้ามันแค่มา น, นั่งอยู่นี่คืนนึงตายไหมตายไม่ตายตายนี่ไงไอ้นั่นแหละคือป่วยเอางี้พอร้อนอนะ่ะถอดไม่ต้องมีอะไรการไปนั่งอยู่ทั้งวันเป็นไง เนี่ยไงคือป่วยที่เราพยายามหลบอยู่อย่างนี้เพราะว่าแก้ไขโรคคือเย็นกับร้อนเนี่ยพ่อไม่ไม่ต้องการให้ตายแต่เราทําโดยสัญชาตญาณไม่ได้ทําด้วยปัญญาเราเลยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นพยาธิทุกข์พยาธิทุกข์มันไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อมันเห็นด้วยตาปัญญามันต้องเกิดความเข้าใจจริงๆว่าเราป่วยอยู่ตลอดเวลา น, นี่คือพวกป่วยเนี่ที่นั่งอยู่เนี่ยพวกโรครุมเร้า คือเย็นกับร้อนมันลุมแล้วต้องแก้ไขตลอดต้องเปลี่ยนแปลงตลอดถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก้ไขเดินนาไปสู่การเบียดเบียนในสุดจริงตายเข้าถึงมรณะมันบีบไปหามรณะจริงๆนะไม่รอดเราถูกความทุกข์อย่างลงแล้วยังเอาแล้วเบียดเบียนแล้วบีบคั้นแล้วตอนนี้พยาธิทุกกําลังบิดคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยรู้ตัวเลยดูโมหะเราที่หนามไหม มีโมหะแบบนั้นหนาะความหลงแบบนั้นหนาะขนาดนั้นเลยนะเราไม่เคยรู้ว่าเรากำลังจะตายเราไม่เคยรู้ว่าเรากำลังจะตายเพราะไอ้โรครุมเรานี่เย็นกับร้อนได้กี่โรคแล้วสองโรคแล้วหิวกับกระหายหิวข้าวกะหายน้า นี้เริ่มกระหายอีกแล้วถ้าไม่ถ้าไม่แก้ตายอีกนะไม่รอนี่ไงโรคมันกำเริบจัดต้องแก้ด้วยการกินกินกินแล้วก็ดื่มกินดื่มกินดื่มเนี่ยหิว ก, กระหายมันเบียดเบียนตลอดเวลานี่พยาธิทุกเห็นนหยัง แต่ก่อนเราไม่เคยรู้เลยว่านี่เป็นโรคความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งชิคัตฉาปรมายาตยิความหิวเป็นโรคเป็นโรคอย่างร้ายกาจมากเรานึกว่าเราไม่ป่วยใช่ไหมถามว่าตอนนี้เป็นยังไง บอกไม่ป่วยเลยปกติที่ไหนได้เวลาภาษาพุทธเจ้าก็เจอกันดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายพอเธอพอทนได้อยู่หรือนี่แปลว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญปัจจุบันนี้บัดนี้ยังพอทนได้พระเจ้าค่ายังพอทนไหวแต่ถ้ามันไม่ไหวก็จะบอกว่าข้าพระ อ, องค์ทนไม่ไหวแล้วร้องโอยๆอ อ, อ, ออกมาแต่ตอนนี้ยังพอทนไหวแต่เราถูกโรคในรุมเล้าตลอด ความหิวรุมเร้าความกระหายรุมเร้าตลอดต้องแก้ไขต้องต้องต้องกินยากินอาหารตลอดเข้าไปใบบำบัดแล้วบำบัดได้ชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยว ก, กําเริบขึ้นมาอีกกาเริบขึ้นมาวันหนึ่งกําเริบตั้งหลายสิบรอบเพเผลอบางคนเนี่ยกําเริบตลอดกินตลอดเห็นหรือยังว่าโรคคนรุมเร้าขนาดนี้ยังไม่เห็นทุกอีก เราได้อะไรมาเนี่ยเราได้อะไรมาเนี่ยนี่ไงถามว่าถ้านิพพานเสียล้วก็ดับเย็นร้อนได้ดับหิวกระหายได้ดับพยาธิทุกนี้ได้ฉะนั้นฉันจะไม่เอาอีกแล้วพยาธิทุกฉันจะเอานิพพานข้าพเจ้าจะไม่เอาแล้วพยาธิทุกนี้จะเอาพนิพพานกับการดับพยาธิทุกนี้ให้ได้เขา้าใจยังตอนนี้ได้กี่โรคแล้วสีแล้วนะทายอุจจาระปัสสาวะ นี่ไงโรคมันมันกำเริบออกมาต้องขับต้องถ่ายออกมาตลอดเวลาเนี่ยโดยเฉพาะไอ้เหงื่อที่มันโดนขับออกมาตลอดต้องขับตลอดถ้าไม่ขับออกมาเรียบร้อยตายอุจจละปะสะัสสาวะนี่ต้องขับออกมาแบบมากๆเลยอะ่ะต้องต้องขับออกมาตลอดต้องถายออกมาตลอดถ้าไม่ถ่ายก็โรคไงนี่อีกสองโรคแล้วกลายเป็นกี่โรคเนี่ยติดตัวมาก่อนเลยเนี่ยหโรคเนี่ย เขาเห็นหกโรคนี้ก็พากันพ้นทุกได้แล้วเรานี่ไม่รู้โรคตายโรคตับโรคปอดโรคอะไรตามมาอีกยังไม่รู้เรื่องเลยไม่เห็นไม่เคยเกิดปัญญาเลยไม่เคยพ้นทุกอะไรได้เลยยังแถมว่าจะเอาอยู่อยู่นี่นแหละเอาอยู่ไหมโอ้โห oh กว่าจะเห็นคำว่าชลาทุกกว่าจะเห็นพญาที่ทุกนี่เกือบตายก่อน เห็นนี <cko ur> <choreography> ่ยังพยาธิทุกข์นี่เป็นทุกข์จริงๆไ้มเนี่ยเนี่ยกวนก歪กัละสามละสายในสรีละเนี่ยจะวิบัติอยู่แล้วเนี่ยถ้าแก้ไขไม่ทันวิบัติวิบัติเหมือนเพลิงที่เกิดแต่ไม้ที่สีไฟนี่แหละเอาไม้มาสีกันเนี่ย สีกันไปเรื่อยๆไฟมันเกิดไหมไม้แห้งอะไม้แห้งไปสีกันเนี่ยเกิดไม่เกิดแล้วก็เกิดสีไปเรื่อยๆพยาธิก็เหมือนกันมันเกิดจากสลีละนี้แหละเมื่อมีสลาสลีละนี่มันก็มีมีโรคนี้โรคเขาบอกว่ามันมีสัตว์ประเภทหนึ่งนะ เขาเรียกว่าลูกม้าลูกม้าสินทบเนี่ยม้าอาชาในเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาจากท้องของแม่ลาลูกม้าเกิดในท้องของแม่ลามันจะออกมาจากท้องแม่มันก็จะทำลายท้องของแม่ได้เท้าทั้งสีของมันน่ะแล้มันถึงจะออกมามันจะต้องทีบทีบทิบทิบทิบทิบลายพังเลยแล้วก็ออกมา มันทีิประกมาตายเลยแม่แม่ลาตายมันออกมาแล้วมันเป็นไอ้นี้เหมือนกันไอ้ดินน้ําไฟลมที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันเหมือนนี่ยมันถีบเรามันทําลายเราจุงพังหมดเลยธาตุดินธาต้น้ําธาตุไฟธาตุลมมันทําลายอีกเนี่ยมันทํำลายกายเนี่ยพังเปลี่ยงไม่เหลือทําลายพังไม่เหลือเราได้ก้อนทุกนี่มาเนี่ยอัปลักษณ์มากเนี่ย ใช่ไหมจะออกก็ต้องฉลาดด้วยจะดําเนินไปถึงความดับมันได้ก็ต้องฉลาดมีวิธีด้วยเอามีดไปตัดมันไปฆ่ามันมันก็เกิดใหม่ฆ่ามันก็เกิดใหม่โอ้โหทํายังไงมันก็มีปวดทุกข์ต้องคนฉลาดเท่านั้นถึงจะออกจากมันได้ไม่ต้องฉลาดเหมือนเหมือนคนที่เอางูสี่ตัวโยนมาให้แล้วก็หลอกเราว่านี่มันเป็นสร้อยสังวาล น, นะ่างั้นนะ แล้วก็มาใส่อ้ผมาไปเสร็จแล้วออกไม่ได้มันกัดเราอะ่ะนําดังคับให้เรายืนเดินนั่งนอนตลอดเวลาให้ทํากิจกรรมต่างๆ่างไอ้ธาตุาา ด, ดินธาตุาาน้ําธาตุไฟธาตุลมโอ้เราดาันไปรับมาพอรับมาเสร็จเราไม่มีปัญญาเลยแต่เนี้ยหนีมันก็ไม่พ้นโอ้โหแต่เนี้ยมันเล่นงานเราสารพัดเลยดิโอยต้องฉลาดด้วยนะฉลาดด้วยกันที่จะสามารถเอามันออกได้นี่แหละว่า ตัวพยาธิทุกข์เนี่ยความเจ็บไข้เนี่ยความปวดความเมื่อยทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแล้วนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพอแก่ตัวเข้าไปหน่อยกําลังวังช้าก็เริ่มถดถอยแล้วก า, กาลรักษายก็เริ่มย่อยยับเ น, นี่ยตอนเนี้ยไอเราถูกโรคปภัยไข่เจ็บไอพยาธิทุกเราเข้าใจว่า ความเย็นไม่ใช่โรคความร้อนไม่ใช่โรคความหิวไม่ใช่โรคความกระหายไม่ใช่โรคทายอุจจาระและปัสสาวะไม่ริดไม่ใช่โรคเราไปเข้าใจผิดมาตลอดไงอันนี้เป็นโรคที่มันรุมเร้าเราอยู่ตลอดเวลาโรคเหล่านี้ยมันเบียดเบียนบีบคั้นทุกทุกขณะนี่คือพยาธิทุกข์ถ้าคนเข้าถึงนิพพานเสียก็ไม่ต้องถูกโรคทั้งหกโรคในรุมเร้ามองเห็นี้ไหมนี่คือ คือพยาธิเอาต่อไปเรื่องตายเนี้ยจุดติจุด ต, ติแปลว่าตายนะไม่ใช่แปลว่าเกิดบางคนว่าเทพพบูตจุดติมาบังเกิดเม่คำว่าจุดติคือเทพพบูตท่านตายก่อนแล้วก็มาบังเกิดคือมาเกิดก็คือเกิดที่เขเรียกปฏิสนธิตายก็เรียกจุดติดับจิตเน่ยจิตที่มันดับนี่แหละมันทําลายขันแห่งสัตว์ก็ดีทิ้งให้เหลือเหลือซึ่งกะเลวละก็คือซากเนี่ยขาด ความขาดไปของชีวิตตินทรียทำเหล่านี้ถ้าเรียกมรณธรรมมรณะเนี่ยเป็นที่เกิดทุกแก่สัตว์ทั้งปวงทุกประเภทสัตว์ทั้งหลายเวลาใกล้ถึงมรณาการใกล้ตายเนี่ยนเตโชธาตุในสรีละธาตุไปในร่างกายมันก็มังเกิดแก่กล้าขึ้นทําให้สัตว์ทั้งหลายเกิดความร้อนกังวลกระวายขึ้นมา แปลว่าไม่สามารถจะทําธาตุสี่คือดินน้ําไฟลมให้ได้ดุลยภาพแล้วตัวธาตุไฟมันจะกําเริบก่อนนะคนจะตายเนี่ยมันจะเผาล้นเผาไหม้นะมันจะกําเริบขึ้นมาเราจะคอนโทรลมันไม่ได้แล้วแต่ธาตุไฟนี่แหละมันกวนมันมันมันมันมันพุกพลาดออกมาสัตว์ทั้งปวงก็ร้อนกวนก歪ระสามระสายไปทั่วร่างกายแล้วเหมือนคบเพลิง เอาคบเพิงเนะี่ยเอาไฟมาวางไว้เหนือลมเนี่ยเป็นอันนี้แหละเป็นมรณะทุกข์อย่างหนึ่งเห็นไหมพรอธาตุไฟมันกำเริบที่สุดจริงๆอ่ะมันเผาเผาจนสัตว์ทัานตายไปเลย น, นี่ในร่างกายนะี่และสัตว์ทั้งหลายที่ทํากรรมที่หยาบช้าลามโอเคไว้ด้วยกายด้วยวาจาเนะี่ยด้วยกายทุจริตวิจีทุจริญมโนขั้นกายจะตายปุ๊บไอ้ทุกขานิมิต นิมิตที่จะทําให้ตนเองประสบความทุกข์หรือมีไฟนรกเป็นต้นเนี่ยบางทีก็เห็นนายเนรบาลเนี่ยถือสัตราวุธมาแล้วมารอรับเลยบางทีก็เห็นโซ่ตรวนเม่งจะเอาอะไรดีเอานิมิตอะไรดีเอานาเอาไฟนรกเอานายนิรบาลถือโซ่ถือถื อ, ถ, อถือสัตราวุธมาคอยรับหรือเห็นโซ่ตรวนบางทีก็เห็นแหลงบางเห็นกาบางมาแวดล้อม ทีนี้สัตว์นั้นก็ภาะวะผวองในบางพวกก็ร้องเออโวยวายขึ้นมาในขาสติแล้วก็ตายด้วยกําลังของโทมนัสเงี้ยเราอยากจะได้นิมิตเหล่านี้ไหมวิธีการจะสอนให้ว่าอยากจะได้นิมิตไม่ดีก็ไปถ้าใครอยากจะมีสัตว์เลชานเป็นนิมิตก่อนตายก็หาสัตว์เลีชานมาเลี้ยงไว้เยอะๆใช่ไหม อยากจะได้ปลาเป็นนิมิตก็เลี้ยงปลาอยากจะได้ไก่เป็นนิมิตก็เลี้ยงไก่อยากได้หมูเป็นนิมิตก็เลี้ยงหมูนะอยากได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เกี่ยวข้องกับคนนี่แหละนะไปเกี่ยวข้องกับคนนี่แหละอาจแต่ไม่แน่นอนเสมอไปนะอาจจะเป็นเหาเป็นเห็บในหัวคนก็ได้เป็นพยาธิในตัวคนก็ได้ต้องการอยากจะไม่เกิดในใครนี่ก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นนิมิตเยอะๆอะอยากเกิดเป็นสัตว์ดิราฉานในน้ําก็มั่นเที่ยวทะเลเยอะเยะ จำภาพทะเลมากๆตายแล้วเราได้ไปตียนที่ในน้ํานั้นอยากอยู่ในสัตว์เป็นสัตว์ป่าก็อยู่ในภูเขาเอานิมิตของภูเขาเอานิมิตของป่าเขามาเป็นนิมิตไว้เยอะๆจําไว้เยอะๆเยอะ ๆ, ๆเดี๋ยวเราก็จะสมใจสมปรารถนาดีไหมอยากมีอยากเป็นช้างก็คิดถึงช้างบ่อยๆอยากเป็นหมูก็คิดถึงหมูบ่อยๆอยากเป็นเป็ดไก่อะไรต่างก็คิดพยายามปลูกฝังอัธยาศัยให้คุ้นเคยกับเรื่องอะไรมากๆนั่นแหละต่อไปจะเป็นนิมิต เป็นที่ที่พึ่งของเราก่อนตายท่านทั้งหลายมีอิสระเสรีภาพในการที่จะเลือกที่เกิดนี่ท้ายังปรารถนาเกิดอยู่แล้วจะทำยังไงนิมิต ท, ที่ทำมาแล้วจะทำยังไงมันมันมันตรึงตาตรึงใจเราเรียบร้อยไปหมดแล้วจะทำยังไงทำไงดีนี่แหละก็ภาวะภววง์นะ บางทีก็ห่วงทรัพย์บ้างห่วงบุตรห่วงภรรยาห่วงญาติมิตรห่วงพ่อห่วงแม่มีใครจะดับจิตจากร่างกายอันนี้เป็นมรณะทุกอย่างหนึ่งนะบางคนก็ถูกตัดมือตัดเท้าเลยก็ว่าไปตรงเนี้ยนะเนี่ยเด็กเพ น, นิมิตหมายที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้คนใกล้ตายเนี่ยพอไปรับนิมิตเหล่านี้ขึ้นมาก็เรียบร้อยเลยตรเนี้ยไปที่ไม่ดีโอ้โหความไม่รู้ของมนุษย์นี่น่ากลัวไหม น่ากลัวเนี่ยความไม่รู้ของเรานี่ยน่ากลัวไหมน่ากลัวคนอื่นไม่รู้กับเราไม่รู้อะไรน่ากลัวกว่ากันน่ากลัวเริ่มมีอัตราเป็นศูนย์กลางอลไรตัวเนี้ย <c oughs> ชกักไม่ห่วงกันห่วงห่วงตัวเองดีกว่า้วตอนนี้พอฟังเรื่องนี้แล้วห่วงพ่อห่วงแม่หรือห่วงตัวเอง <c oughs> แล้วถ้าพ่อแม่ตกนรกกับเราตกนรกนี่เรากลัวใครตกนรกมากกว่าแสดงว่าเนี่ย เอานี้ความสามารถแค่นี้คิดว่าจะช่วยพ่อแม่ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องรีบช่วยตัวเองก่อนบางคนยังไม่ยังยังว ย, ยังไม่รู้ศักยภาพตัวเองเลยอ่ะโอ้ยห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องห่วงลูกอย่งนั้นไอ้ตัวเองยังจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วมันเห็นเหมือนเห็นคนตกน้ำแต่เราไม่มีวิไม่มีความรู้เรื่องช่วยคนตกน้าเลยไม่มีความรู้เลยนะลูกตกน้ำพ่อตกน้าแม่ตกน้า โอ้โหเราโดดผึ้งเข้าไปเลยที๋ยนี้เป็นยังไงพ่อก็มากอดคอเราแล้วก็รัดไว้แน่นแล้วก็พากันจมตายกันทั้งคู่เราเป็นเหมือนคนนั้นน่ะเหมือนเหมือนคนโง่คนนั้นน่ะ ย, ยังไม่มีวิชายังไม่มีความรู้ยังไม่มีความสามารถอะไรอยากจะช่วยคนตกน้ำสรุปแล้วตอนนี้เอาตัวให้รอดไว้านาให้เป็นก่อนดีไหม แล้วก็ต้องไปฝึกในการที่จะเห็นคนอื่นตกน้ํำแล้วก็ช่วยนะหาอุปกรณ์อะไรก็ว่าไปจริงๆไงพอรู้พระธรรมคาสอนใหม่ๆจะไม่ห่วงใครนอกจากตัวเองก่อนแล้วจะไม่คิดอยากให้ใครเอาตัวรอดไม่อยากจะช่วยใครให้ตัวรอดหรอกจะช่วยตัวเองให้รอดอยังไงก่อนนะเมื่อมีศักยภาพแล้วค่อยว่ากันต้องบอกพ่อบอกแม่บอกพี่น้องบอกเพื่อนทุกคนบอกว่าตอนนี้ ขอดูแลตัวเองก่อนฉ <c oughs> ันไม่ห่วงใครแล้ว <c oughs> เอาตัวเองรอดเมื่อไหร่มีศักยภาพเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันจริงไม่จริงคิดอย่างนี้จริงไหมเพิ่งคิดหรือว่า <c oughs> แล้วจะไปช่วยใครเราจะไปคูช่วยเขาหรือไปซ้ําเติมเขาให้ตกให้ให้ตายเร็วอ่ะไปช่วย ซ้ำเติมให้เาให้ตายเร็วหรือตายไม่ดีบบที่เราช่วยอ่ะวิธีการที่เราไม่ถูกต้องอ่ะต้องระวังนะไอ้เจตนาดีแต่ปัญญาไม่ถึงน่ากลัวไหมเจตนาดีฉันมีเจตนาดีกับพ่อนะแต่ปัญญาไม่ถึงฉันมีเจตนาดีกับแม่นะแต่ปัญญาเราไม่ถึงฉะนั้นเจตนาดีต้องปัญญาถึงด้วยนะไม่ใช่แค่มีเจเจตนาดีอย่างเดียวต้องมีปัญญาด้วยนะใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ได้สอนให้ใจดําแต่สอนให้รู้ให้เข้าใจก่อนเนะี่ยเหมือนหมอโอ้โหเห็นคนไข้มาเราเป็นหมอแต่ยังไม่รู้เลยอะจับยาอะไรฉีดให้มั่วเลยนี่เจตนาดีไงเราอยากจะช่วยคนทั้งหมดเลยเนี่ยคนประสบความทุกข์อยากจะช่วยทั้งนั้นเลยเจตนาดีแต่ปัญญาเราถึงไหมถ้าไม่ถึงขึ้นมาแทนที่จะไปช่วยเขาก็ไปซ้ําเติมเขาให้ ซ้ำเติมเขาให้เจ็บปวดมากขึ้นปะอันนี้ดูให้ดีนะในพระศาสนานี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าจะช่วยคนก็ช่วยด้วยความฉลาดนะต้องฉลาดแม้แต่จะให้ทานยังต้องใ ห, ให้ยังต้องมีวิจัยยะทานังเลยให้ด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจส่งข้อคนด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจอย่าช่วยแบบไม่รู้กเข้านักเ้ามันเหมือนคนบางคนนะเราไปเห็นโจรเนาะ โจรคนนี้หิวหิวมากจะตายแหลไม่ตายแหลมอยู่แล้วแต่ทจนี้มันมาหาโจรเลยเราก็เลยไปช่วยเขาช่วยเขาให้มีแรงช่วยเขาให้มีศักยภาพช่วยเขาให้มีกําลังแล้วเราก็จากเข้าไปไอเจ้านี้โอ้โหมันทําบาปอย่างใหญ่ทําความเสียหายอย่างใหญ่เลยโดยมากจะเป็นแบบนี้นะชีวิตเราที่ผ่านมาโดยมากเราจะช่วยแบบนี้แหละ ช่วยให้โจรมีกําลังแล้วเขาจะได้มีกําลังในการทําชั่วมากขึ้นมันช่วยได้แค่ทางร่างกายแต่เราไม่สามารถช่วยได้กระบวนการความคิดของเขาใช่ไหมพระเจ้าไม่อย่างนั้นเลยนะพระเจ้าช่วยให้มนุษย์มีกําลังด้วยและช่วยให้คนนั้นมีปัญญากําลังกายกําลังใจและกําลังปัญญาใช่ไหมโดยเฉพาะพระเจ้าช่วยเรื่องกําลังปัญญาให้สัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์ได้นช่วยแบบเนี้ทํำยังไงเราจะมีศักยภาพช่วยอย่างที่พระเจ้าช่วย ถ้าทำอย่างนี้โอ้โหควรช่วยคนอ้าวกลับมาดูพยาธิมรณะทุกต่อมรณะทุกทุกคือความตายเนี่ยมันย่ำยีสัตว์ทั้งหลายพินาศวิบัติก็คือว่าเปรียบเสมือนภูเขาสูงเฉียดฟ้าสี่ลูกมันกลิ้งมาจากทิศทั้งสี่ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกความตายมันกิ้งเข้ามาอย่างนั้นเหมือนภูเขากลิ้งเข้ามา เราที่อยู่ตรงเนี้ยถ้ามีภูเขาใหญ่สูงเฉียดฟ้ามันกลิ้งมาจากทิศทั้งสี่แล้วมันไม่เคยหยุดด้วยวิธีการจะหยุดภูเขาลูกนั้นไม่ให้มันกลิ้งมาทับเราทํำยังไง <c oughs> <c oughs> เราสามารถเอากําลังพลกําลังอะไรทั้งหลายเนี่ยไปคานไว้ไปค้าไว้ไปเบรกให้อยู่ได้ไหมต้องทอํายังไง มีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือเข้าถึงนิพพานปุ๊บได้เมื่อไรเราก็ไม่ต้องถูกมันกลิ้งทับก็แค่นี้หลักการมีแค่นี้ยงนั้นต้องนิพพานให้ทันถ้านิพพานไม่ทันเราก็ตายฟรีตายเปล่าตายอย่างน่ากลัวคนที่ยังมีกิเลสแล้วตายเนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดตายยังไม่ปลอดภัยดังนั้นถ้ามีกิเลสแล้วอย่าเพิ่งตาย ให้ฆ่ากิเลสก่อนแล้วค่อยตายทีหลัง <c oughs> บอกง่ายทำยาก <c oughs> ใช่ไหมแต่ต้องรู้ไว้ไหม <c oughs> ตรงนี้ถึงบอกว่ามันจะบทขยี้สัตว์ทั้งหลายให้แหลกเป็นจุนมรณะภัยเนี่ยที่มันย่ำยีสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันนักปราด มีพระเจ้าเป็นต้นที่มีปัญญาท่านถึงบอกว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยชาติทุก์ทุกข์คือความเกิดชาราทุกข์ทุกข์เพราะความแก่พยาธิทุกทุกข์เพราะความเจ็บไข้มรณะทุกข์คือทุกข์ความตายเนี่ยมันเหมือนฆ่าศึกสี่คนเหมือนฆ่าศึกสี่คนตัวเราเปรียบเสมือนดังคนที่เป็นเวรแก่ฆ่าศึกสี่คนเนี้ย ว่าไอตัวฆ่าศึกสี่คนน่ยมันจะมาเล่นงานเราเนะคนแรกนับตั้งแต่แสวงหาอุบายในการที่จะฆ่าบุรุษที่เป็นเวร น, นั้นเน่ยให้สิ้นให้เสียชีวิตเนี่ยฆ่าศึกคนหนึ่งก็เข้าไปหาแล้วก็ทําเป็นมิตรทําเป็นมิตรทําเป็นพวกทําเป็นเพื่อนรักใคร่ ป, รราปรลาร้าปลารมล่อลวงว่าไอสวนอุทยานแห่งหนึ่งนะว่างั้นเดอ้อ ที่ป่าแห่งเนี้ยงามมากมีผ ล, ลไม้งดงามภูมิทัศน์เขาจัดไว้ดีมากราบรื่มเย็นสบายบางมีน้ำใสสะอาดสนุกสนานเป็นรมมายีสถานเป็นสถานที่เลื่นลมด้วยมาเราจะพาท่านไปสถานที่นั้นมันหลอกเราอย่างนี้มันหวังดีไหมมันหลอกเราไปไปพาไปเราจะพาไปฝ่ายบรุษคนนั้นน่ะ จะได้รู้ว่าเป็นข่าไม่รู้เลยเอกคนนี้มันเป็นศัตรูมาในคาบของมิตรเนยเราเหมือนกันก็ไม่รู้สำคัญใจวันเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่รักเราเมื่อก็หลงเริงไปตามเขาพอถึงกลางป่าไอ้่าศึกคนที่สองก็ออกมาจับจับเราไว้แล้วก็ทบตีทรมานเรา ฆาสือคนที่สามเห็นก็เข้ามาตีซ้ำเขาอีกย่ำยีนั่นเน่ให้นอนกลิ้งอยู่กับพื้นลุกไม่ไหวเลยเนี่ยร้องโอยโอยอยู่นี่นแหละคนที่สี่ถือดาบมาฟันปุ๊บที่ศรีรษะขาดเลยกระเด็นเลยอปประมาณนี้ฉันใดชาติทุกทุกคือการเกิดเนี่ย อันดับแรกมันล่อลวงเราให้มาปฏิสนธิในตระกูลต่างๆมันหลอกเราไปเกิดปฏิสนธิในตระกูลคนรวยสิตระกูลคนมีทรัพย์สิอย่างนั้นมันหลอกเราเงี้ยนะให้ทานรักษาศีลไปที่ไปเกิดไปเกิดในตระกูลดีๆนะมีหน้ามีตาอ่ามีทรัพย์เยอะๆมีบริวารเยอะๆมีพี่น้องเยอะๆมีคนที่เกื้อกูลทั้งหลานี่เยอะๆไปเกิดตระกูลเนี้ย มันพลานาว่าโอ้โหเนี่ยสวนแห่งหนึ่งเนี่ยป่าแห่งหนึ่งอุทยานแห่งหนึ่งโอ้โหเป็นสถานที่น่ารื่นรมเลอเกินไปและสบายว่างั้นเลยนะนี่ไอชาติทุกข์มันหลอกแต่เกิดในตระกูลทีนี้ข้าศึกคนที่สองชลาทุกเนี่ยมันออกมาจับตัวเราไว้มาตีมาทุบมาตีนะก็คือในขณะนั้นทำให้ทุกพลภาพแบบฟันหักผมเหี่ยวโยนเออฟันหัก ฟันก็หักผมก็งอกหนังก็เหี่ยวย่นใช่ไหมหูก็ตึงแล้วแต่เนี้ยนะเนี่ยมันทบแล้วมันเข้ามาทบแล้วตอนนี้เริ่มทุบมั้ยยังคนที่สองทุบไหมทบไปกี่ครั้งเลยเนี่ยโอ้หทบเยอะเลยใช่ไหมพยาธิทุบก็มาทบแล้วทําให้ร้อนทําให้เย็นทําให้หิวทําให้กระหายถ่ายจริญเป็นตัมันเข้ามาทบกันใหญ่เลยแต่เนี้ยเข้ามาทุบโอ้โหเรียบร้อยเลยพยาธิทุบก็เข้ามาทําให้เจ็บปวดด้วยโรคจักขคุ มีโรคที่โรคผมขนเล็บปันมีโรคทุกจุดของร่างกายเนะีย่ยโรคไตโรคตับโรคปอดสารพัดหมดเลยเนี่ยมันทุบมันทรมานตลอดเวลาและวไอคนที่สี่เข้ามาดูมันไปเต็มที่แล้วมันก็มาฟันฟุน๊บแล้วก็ตา ย, ยนี่พระริเจ้าถึงตรัสบอกว่าเนี่ยมรณะทุกเป็นอย่างเนี้สรุปแล้วตอนนี้เราเจอไ อ, อค่าสึกคนแรกมันมาหลอก ให้เรามาเกิดเราบอกโอ้หสบายมากเกิดในตระกูลสูงๆนะว่างั้นเธอมียศเยอะๆมีทรัพย์เยอะๆมีบริวารเยอะๆมันหลอกไหมยังยอมพี่หญิงใหญ่มันหลอกไหมยังข่าสึกคนที่สองเข้ามาไปเสร็จมาทุบเลยไอชราทุบมาเล่นงานกันแล้วผมคนเล็บฟันลมวิมวิกวิกคนจริตต่างๆโดนโดนนี่ยังโดนันทุบอีกยังพยาที่ทุกมันทบหนักกว่าเดิมอีกแต่นี่ตอนนี้เริ่มจะนอนกลิ้งแล้ว เดี๋ยวมรณะทุกเริ่มจ้องถือดาบรออยู่เดี๋ยวพอได้จังหวะก็ตัดฟึ๊บเรียบร้อยส่วนความโศกความร่ำไรลาพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแคนใจก็ตามมาตอนนี้เรากำลังใครเจอใครเจอไอ้สามคนมาแล้วใช่ไหมชาติทุกเจอแล้วไอ้เพื่อนคนแรกหลอกมาแล้วเพื่อนคนที่สองชราทุกเล่นงานแล้วพญาที่ทุกตองเล่นแล้วตอนนี้สามคนเนี่ยลุมตีอยู่เนี่ย รมกันจับเราแล้วก็ตีทั้งทุบทั้งตีทั้งทุบทั้งตีสารพาัดบางคนก็หลงไปนอนดิ้นเดินไม่ได้แล้วบางคนเนี่ยบางคนยังพอลุกวิ่งกวนกวาดได้อยู่บางคนยังพอเดินขึ้นเขาไม่ไหวเดินลงพอไหวบางคนยังได้เลย <c oughs> นี่ยโดนมันทุบเอาบางคนไม่ไหวทั้งขึ้นและหลงเลยตัวเนี้ยนะเนี่ยโดนทุบทรมานมากแต่คนถือดาบคอยจ้องอยู่ได้จังหวะเมื่อไรตัดคอเมืนั้นเน่ย โอโหโหดร้ายมากชาติทุกข์โหดร้ายมากชาลาทุกข <not player> <thế> ์มรณะทุกข์พญาทุกข์ชาาทุกข์มรณะทุกข์นี่แล้วก็มรณะทุกข์โหดร้ายมากเลยมรณะทุกข์นี่ตัดลอนเลยไม่ไม่ไม่มีเยื่อใยเลยอไม่มีเยื่อใยแล้วไม่กรุณาเราเลยตัดเลยว่ากั้นเถอะโหดีทุกข์ขั์ชาติทุกข์ชาาทุกข์พญาทุกข์มรณะทุกข์เห็นว่าเป็นทุกข์จริงไหม เราจะเห็นแบบนี้ได้กี่วันเนี่ยพาก็พูดถึงท่านไปเรื่องของท่านไอ้ชันก็โหยงฉันอย่างนี้เลยเอาพอฟังฟั ง, ฟ, งฟังทุกขสัจจะอย่างนี้แล้วว่าเป็นทุกจริงไหมลังเลสงสัยว่ามันไม่ใช่ทุกไหมก่อนหน้านั้นยังลังเลอยู่ไหม ก่อ <S <S <G uard ing that> นหะน้านั้นนี่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจอย่างนี้หรอกถ้าเข้าใจอย่างนี้ชีวิตมันเปลี่ยนไปทั้งนานแล้วพฤติกรรมมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดมันต้องเปลี่ยนทัศนคติมุมมองมันต้องเปลี่ยนความกระตือรือร้นมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนมันไม่เฉยชาแบบนี้หรอกอย่างจไหมละ่ะ แต่วิธีการนะถ้าอยากจะกลับไปเฉยชาอ ย, ย่างเก่ามันมีนะกลับไปก็ปิดข้อมูลนี้หมดเลยนะไม่เอาอแล้วไม่ฟังแล้วก็ไปฟังเพลงดูหนังดูละครในเพลินหลอกตัวเองไปหลอกไปว่าจริงๆไม่ใช่ที่บอกว่ามีชาติทุกข์หลอกให้เรามาอยู่อย่างนี้ไม่มีมีชราทุกข์มันคอยมาทุบมาตีเราไม่ใช่ไม่ใช่เราแก้ไขได้มีพยาธิทุกข์คือโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนแล้วมันทําให้ ทบเราเริ่มจะนอนดิ้นกับพื้นแล้วไม่จริงไม่จริงแล้วจะมีมรณะทุกมาตัดรอนกระแสชีวิตเราให้ขาดไม่จริงไม่จริงเนค้านตลอดค้านตลอดตัณหาปอบใจอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อพระเจ้าอย่าไปเชื่อพระธรรมอ ย, อ, รยอย่าไปเชื่อพระเรียสงอย่าไปเชื่อพระรัตนาตรัยพระรัตนตรัยหลอกคนส่วนน้อยเท่านั้นเชื่อเราอยู่กัคนส่วนมากดีกว่าดีไหมหลอกตัวเองงี้ดีไหมงั้นกลับไปรีบ เปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนความเห็นใหม่นะเพราะถ้ารับข้อมูลอย่างนี้มากๆเราจะไม่มีความสุขเลยใช่ไหมมีไหมมีความสุขไหมรับข้อมูลแบบนี้มีความสุขหรือเปล่าเครียดไหมรับข้อมูลแบบนี้ เมื่อคืนนี้พอพูดถึงนิโรธาสัจจะก็โล่งขึ้นมาพอพูดถึงมรรคสัจจะโอ้มีความหวังใช่ไหมเพอกลับมาพูดเรื่องทุกขสัจจะรายละเอียดอีกเครียดกินอีกบอกโอไปไม่เป็นอีกแล้วทําไมมันเศร้าหมองเทุกินชีวิตเนี่ยถ้าไปพูดถึงสมุทยัยยิ่งหนักใหญ่เลยตอเนี้นั่นเราจะไปใจไปผ่อนคลายตอนตอนนิโรธาสัจจะนี่เลยชื่นใจตรงที่มรรคสัจจะเห็นทางออกแล้วเห็นทางออกแล้ว แล้วมีทางแล้วเราฉันจะเดินทางนี้แหละตรงนั้นมันสบายใจตรงนั้นใช่ไหมต้องให้รู้ก่อนไม่รู้อย่าเพิ่งเดินเหน๋ยวมวยไม่รู้ทางอย่าเพิ่งขยนัน ม, มันเหมือนคนรู้ว่าโจนมันจะป้นแต่ยังไม่เห็นทางอะ่ะวิ่งไว้ก่อนเพื่อที่รอดผลปรากฏไม่รอดไอ้พวกวิ่งก่อนนี่โดนจับก่อนเขาจะเห็นทางออกก่อนค่อยวิ่งดีไหม ก็เรโดนโจนจับโดนฆ่ามาตั้งหลายอัตภาพแล้วถ้าจะโดนฆ่าอีกอัตภาพหนึ่งก็ไม่เป็นไรมั้งไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจะมยไม่เอาแล้วโดนฆ่ามาเรื่อยโดนฆ่าโดนเบียบบีบคับบ้นโดนทรมานมาเรื่อยเลยเออเวลาเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราก็ยังหาทางออกไม่เจอหรอกแล้วนึกสงสารคนไม่รู้มั้ย นึกไหมทั้งๆ ท, ที่เราก็ยังหาทางออกไม่ได้เนี่ยเริ่มสงสารคนอื่นแล้วเลยโวกรุณาเราดีจังเลยใช่ได้กรุณาแล้วนึกถึงพ่อก็สงสารพ่อนึกถึงแม่ก็สงสารแม่นึกถึงน้องนึกถึงพี่นึกถึงเพื่อนสงสารก็หมดเลยเนาะอยากจะไปช่วยเขาเจตนาดีจังแต่ปัญญายังไม่ถึงเอาอย่างนี้สร้างปัญญาก่อนดีไหม สร้างปัญญาก่อนตอนนั่งรถไปบินทบาทก็พูดเรื่องมัชิมาปฏิปทาใช่ไหมปัญหาของสัตว์โลกหรือปัญหาของเราทั้งหลายเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะดำเนินกระบวนการความคิดการกระทำานกรรมที่เรากระทำเนี่ยทางกายกรรมวิีกรรมมโนกรรมให้เป็นมัชิมาปฏิปทาได้ โดยมากมันจะสุดตรงตลอดมันก็เอียงไปหากามาสุขคาลิกาเนยกุกไม่เอียงไปหาการมาสุขคาลิกาเนยุกก็ไปอัตตกิรมัฐานุโยกมันไม่สามารถดําเนินชีวิตเข้าสู่ร่องรอยที่เป็นมัชิมาปฏิปทาได้เลยนี่คือปัญหาเนี่ยปัญหาของพวกเราคือตรงนี้เราคิดแต่ละครั้งแต่ละขณะเราทําแต่ละครั้งแต่ละขณะเราพูดแต่ละครั้งแต่ละขณะเนี่ยมันไม่เข้าสู่ร่องรอยของมัชิมาปฏิปทา ไม่เข้าสู่ร่องรอยของมารกษัตริย์เลยมันไปสมุทยศสัจจะหมดเลยนี่คือปัญหาเข่าใไมแม้แต่นั่งอยู่อย่างเงี้ยในขณะที่นั่งแล้วฟังอยู่เนี้ยเราไม่สามารถปรับท่าทีทางใจให้เป็นมัชิมาได้เลยเป็นอัตตกิลมาฐานุยคกบ้างการมาสุขคาริการุโยกบ้า ง, าาาางใช่ไหมเราไม่สามารถจะโดดออกจากสมุทยศสัจจะไอช่องนี้ได้ที่จะเข้ามาอยู่ในมรกษัตริย์ นี่คือปัญหาของสัตว์โลกมันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเหล่านี้ที่พูดพูดมาทั้งหมดนะมันก็มาลงอยู่ตรงนี้แหละมันเดินมรรคสัตย์ไม่เป็นขึ้นสู่เรือลําเนี้ยนาวาทองลําใหญ่นี่ไม่เป็นไม่รู้จะขึ้นยังไงเห็นพระอรัยตสงเจ้าทั้งหลายพุทธิมีพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยท่านเปิดเผยเห็นแล้วมนะันมีนาวาธรรมลำเนี้ยสําเพาทองลําเนี้ยลําใหญ่ที่จะสามารถพาเกลียวขึ้นมหาสมุทรไปสู่จุดหมายปลายทางได้ แต่เราไม่รู้จะขึ้นยังไงเราก็เป็นเหมือนสัสตว์ทั้งหลายที่ลอยคออยู่ในโลกเยื่ยมหาสมุทรเนี่ยแล้วกับไอ้ที่ถูกกินตายก็มีสัตว์ล้ากินตายจมน้ําตายอะไรเี้ยเยอะแยะหมดต่อหน้าต่อตาเนี่ยแต่ไม่สามารถหาที่พึ่งได้เกาะเรือลํานี้ก็ไม่ได้นี่คือปัญหาเราโดดเกาะที่ไรก็ตกลงมาทุกทีโดดเกาะทีไรก็ตกลงมาทุกทีเราไม่สามารถจะขึ้นสู่สัมเพทำลทําลํานี้ได้นี่คือปัญหาจะทํำยังไง นี่เข้าจุดไก่หม่กเลใช่ไหมจะดสำคัญอยู่ตรงนี้ใช่ไห ม, ไหม <c oughs> นี่ตั้งเวนประเด็นขึ้นมาเราจะได้เข้าใจว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่พรรานามาทั้งหมดเนี่ยก็มาอยู่ที่วิธีการข้อปฏิบัติมัชเชนะธรรมเทศนากับมัชชิมาปฏิปทา มัชเชนธรรมเทศนาก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนหลักเรื่องทางสายกลางสุดตาข้อมูลในการที่เราจะฟังเรื่องมัชเชนะธรรมเทศนาหลักการธรรมะสายกลางเนี่ยเราก็ฟังกระท่อนกระแท่นรู้ไม่ชัดรู้ไม่ลึกรู้ไม่ละเอียดพอถึงขั้นมัชฌิมาปฏิปทาเราจะดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามทางมัชฌิมาปฏิปทามันก็เดินผิดเดินถูก บางคราวเดินถูกก็ไม่รู้เดินผิดก็ไม่รู้ภาษาภาษาโบราณเขาต้องบอกว่าเหมือนกับบือบอดเหมือนกระบือบอ ด, เ, อบอบอดเดินเข้าป่าใหญ่กระบือนี่บอดด้วยนะเดินเข้าป่าใหญ่พอเดินเข้าป่าใหญ่มันเดินถูกทางมัรู้ไหมผิดทางมัรู้ไหมเพราะอะไร ตาบอดตาบอดเราเราเกิดมาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพรุทธเจ้าให้ดวงตาคือปัญญาใช่ไหมฉะนั้นเราจะต้องรักษาตาเราจะต้องรักษาตาที่มันบอดให้เป็นตาดีให้ได้เพราะเราจะได้เห็นทางใช่ไหมถ้าเราตาไม่ดีเนี่ยตาในที่นั้นเป็นชื่อของจักขุนะปัญญาจักสูรนะคือสัมมาทิฏฐิสําคัญที่สุดคือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบในความเห็นที่สอดคล้องกับอริย ส, สัจสีนี่แหละความเห็นที่ตรงกับอริยาสัจเนี่ยนี้สำคัญที่สุดนั <N> ้น <an> ไปที่ไหนเนี่ย <Marine> เราต้องไปทําความเข้าใจให้สัมมาทิฏฐิให้ได้จะต้อง เ, อเอรียนรู้เรื่องสัมมาทิฏฐิให้ได้เพราะสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นดวงตาของสัตว์โลกมันจะทําให้สัตว์โลกเนี่ยมองเห็นเส้นทางคือมชิมาปฏิปทาในการที่จะนําพากระแสชีวิตเนี่ยเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางคือปลอดภัยออกจากป่าใหญ่ให้ได้ จริงไหมแล้วตอนนี้ได้กันหรือยังนี่ไอ้ตรงเนี้สัมมาทิฏฐิจึงสําคัญที่สุดใช่ไหมสัมมาทิฏฐิเนี่ยสําคัญกว่าบุตรภรรยาไหยสามีสําคัญกว่าญาติไหมสัมมาทิฏฐิสําคัญกว่าซับไหมยสําคัญกว่าทซั์ด้วยเนาะสัมมาทิฏฐิเนี่ยสําคัญกว่าอวัยวะไหม สมาธิทินี่สําคัญกว่าชีวิตไหมเอาแล้วเริ่มเห็นความสําคัญว่าสมาธิิสําคัญกว่าญาติสําคัญกว่าทรัพย์ใช่ไหมสำคัญกว่าอวัยวะและก็สําคัญกว่าชีวิต <c oughs> นั้นเพราะชีวิตไม่มีสมาธิต่างหากถึงจะเอาตัวรอดได้ปลอดภัยได้เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ถ้าไม่มีสมาธิฐิ <c oughs> เรียบร้อยเลยแต่เนี้ยเนี้ยเรียบร้อยเลย เราไม่สามารถจะเอาชีวิตให้รอดได้ไม่สามารถจะพาญาติรอดได้ไม่สามารถจะทํำอวัยวะให้รอดได้ไม่สามารถจะดูแลทรัพย์ให้บริบูรณ์ได้เป็นต้นอุลีสรุปแล้วสมาธิิเลยสําคัญกว่าทรัพย well ์สําคัญกว่าญาติสําคัญกว่าอวัยวะและสําคัญกว่าชีวิตเริ่มเห็นความสําคัญแล้วนะฉะนั้นขอยพวกเราทั้งหลายจงได้สมาธิทิกันโดยเร็วนะนะให้ได้สมาธิโดยเร็วเพราะสมาธิินี่สําคัญที่สุด คอ้เราพบเจอสมาธิถิโดยเร็วโดยสะดวกโดยพั น, เ, นเพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ปราถนาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ตัวนี้แหละที่พระองค์ตรึงบำเพ็ญบารมีมาทั้งยี่สิบประสงคขายขยี่สิบแสนหมหากับที่พระองค์พร่มบอกพร่ำสอนสตัดโลกอยู่ตลอดดูราประกาศพระธรรมหลักการอยู่ทั้งสี่สิห้าปีจนอายุแปดสปีถึงเสด็จดับขันได้บริสิภาน แม้ก่อนจะเสด็จดับขันธบริณิพานก็บอกจุดบอกว่าทำรรละวินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำละวินยัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปอย่งเราก็ต้องการจะปลูกฝังให้สัตว์โลกทั้งหลายได้สมาธิที่นี้ได้ความเห็นที่ถูกต้องนี่แหละฉะนั้นพุทธเจ้าหวังอะไรในเราหวังให้เราได้เกิดสมาธิใช่ไหมทั้งโลกียสมาธิิิและโลกุตละสมาธิ นนความหวังของพระเจ้าความปรารถนาของพระเจ้าหวังกับเราอย่างนี้พระเจ้ามีพระหมหากรณากลณาที่คุณกับเราใช่ไหมมองมองพระพักมองหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ออกว่าพระพุทธเจ้าหวังอะไรในเราในหวังอะไรในเราไปมองและหวังว่าก็จะไม่ทําให้พระพุทธเจ้าทรงผิดหวังในเรานะไม่อยาให้พระพุทธเจ้าผิดหวังในเราในฐานะที่องค์บําเพ็ญบารมีแบบอุกฤษเลย แล้วก็จุดคบเพลิงแห่งธรรมอยู่ตลอดเวลาเลยตอนนี้คบเพลิงแห่งธรรมมายังจุดสว่างสวัยอยู่นะขอคอยเราได้สมาธิินะถ้าถ้าเราไม่ได้สมาธิถิแล้วเนี่ยที่พระเจ้าบำเพ็ญมาเนี่ยไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยนะนะพระองค์อุตสาหะเพียรพยายามบำเพ็ญบารมีแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจนกว่าจะตัดส้อนุตละสมาสำโพธิยานเนี่ยพระพุทธเจ้าหวังเนี่ยในเราไม่ได้หวังให้เราไป พี่น้าพี่นอบ อ, อ, อะไรท่านไม่ได้หวังว่าเราจะเอาอาหารอะไรต่างไปให้ท่านไม่ต้องการอย่างนั้นเลยต้องการให้เราเนี่ยได้สมาทิฏฐิได้ตาคือปัญญาเหล่านี้แล้วเราจะได้เห็นแนวทางขึ้นสู่แนวทางที่ถูกต้องเมื่อเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องแล้วเราจะได้ปลอดภัยเราจะได้พ้นจากชาติภัยชาลาภัยพญาทิภัยแลมรณะภัยเนี่ยที่มันบีบคั้นเบียดเบียนกระแสะสัตว์โลกทั้งหลายทุกจุดเลยเลยนะ เออเราเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจะมีกําลังใจว่าพระพุทธเจ้าหวังอะไรในเราถ้างั้นเดี๋ยวเราก็จะไปหาพระพุทธเจ้าผิดอีกก็ไปอ้อนวอนผิดผิดพลาดพาดกันอีกใช่ไหมล่ะเราบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระเจ้ารู้วัตถุประสงค์ว่าพระพุทธเจ้าหวังอะไรในตัวข้าพระเจ้าแล้วข้าพระเจ้านั้นจัดทำ วัตถุประสงค์ที่พระเจ้าหวังในตัวข้าพเจ้าให้สำเร็จผลให้ได้เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าเองว่างั้นนะเพื่อประโยชน์ข้าพเจ้าเองนั้นข้าพเจ้าจะเข้าถึงซึ่งความหลุดพ้นและความพ้นทุกข์ตามพุทธประสงค์นั้นให้ได้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในพระเจ้าแล้วก็เชื่อมั่นตัวเองด้วยว่าจะสามารถปลูกตาคือปัญญาคือสมาธิิให้เกิดขึ้นในตนี้ได้ทุกครั้งให้คิดถึงพระเจ้าให้คิดถึงอย่างนี้แล้วจะได้มีกําลังใจในการที่จะ เพิ่มพูนนะข้อมูลความรู้ให้ชัดแล้วก็จะได้ไม่ต้องกังวลในการที่จะต้องเร่งรีบในการที่จะเดินได้ใช่ไหมมันรู้แล้วเข้าใจแล้วมันรีบได้แล้วตอนนี้รีบได้แล้วใช่ไหมถ้ายังไม่รู้ไม่เข้าใจไปรีบอะไรพอ <c oughs> นะ ม, มองเห็นนี่ยังทีนี้ในรายละเอียดที่บอกว่ามารกษัตริย์เนี่ยตัวสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเหล่านี้ย เราจะก้าวขึ้นสู่นาวาหรือสำเภาทำรรลำเนี้ยที่จะสามารถนำพากระแสชีวิตของเราไปถึงฝั่งปลอดภัยรอดพ้นปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายที่มันเต็มไปหมดนี้ได้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะต้องมีความเข้าใจถ้ายิ่งเข้าใจละเอียดทุกขั้นตอนในในในการดำเนินชีวิตได้โอ้โหเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากใช่ไหเหมือนที่เราเดินทางเนี่ยปุ๊บเนี่ยแค่เราเห็น ถนนพ บ, บางบอกอา้าคุณเห็นถ น, นนนี่คุณคิดยังไงเนี่ยเราก็จะเห็นชัดแล้วว่าความคิดที่มันเป็นกรรมมาสุขคาลิการิโยกหรืออัตตกิลมาฐานโยกมันจะได้ความพอใจชอบใจกับไม่ชอบใจเค็ okay, นไ้ได้ความเพลินกับได้ความชอบกับไม่ชอบถ้าชอบมันก็เอียงมันก็สุดตรงไม่ชอบมันก็สุดตรงแต่เราจะเข้าสู่เส้นทางของมชิมาบฏิบัายยังไง เเห็นแล้วมมันได้กุศลจากการเห็นมันได้ปัญญาในการเห็นมันได้ความรู้ความเข้าใจจากการเห็นว่าเส้นทางนี้ทางนี้เราเดินทางนั่งรถเดินทางไปเนี่ยเราเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปไหว้พระบระมสารีริกธาตุไปพาสงฆ์ไปบิณฑบาตหรือ ไปเจริญกุศลมาฟังธรรมในเส้นทางเนี่ยพอเห็นปุ๊บมันรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยเราได้ดำเนินชีวิตในทางเส้นเนี้ยจากการที่เราได้ทําความดีมีการไหวพระบระมสาลีริกธาตุในการฟังธรรมในการภาสงไปวินิบัติแนละเส้นทางนี้ได้ปูเส้นทางนี้ได้สร้างเส้นทางนี้เนี่ย ทำเส้นทางนี้ให้เกิดความสะดวกสบายแก่พระราชนาตายัยขอจงเป็นปัใจจัยข้าพเจ้านั้นน่ะดําเนินกระแสชีวิตไปตามแนวทางมัชฌิมาปฏิปทาโดยสะดวกโดยโดยปลอดภัยดย้วยเถอะเอามันกินตั้งอัธยาศัยอย่างนี้มันก็ยังเป็นจุดเด่นจุดดีอยู่ว่าตั้งถูกใช่ไหมเจตนาถูกและความเข้าใจมันถูกอันนี้พื้นฐานสุดๆอย่างเงี้ยว่าโอ้การที่เราให้ความสะดวกให้ให้เส้นทางแก่สงอย่างเงี้ยเออมันยังเป็นปัจจัยแก่การที่ทําให้เราได้ ได้แนวทางที่ถูกต้องนี่เป็นต้นพอมองเห็นไหมทีนี้ว่าในรายละเอียดของการที่เราจะเข้าสู่ดุนยาภาพหรือมัชิมาปฏิปทาเนี่ยให้สังเกตดตัวที่ว่าแม้เรามาเจริญกุศลเราก็จะมักจะไม่ได้ดุนไม่ได้ดุนยาภาพ บางทีเราก็เอียงไปหาศรัทธา ม, มากเกินไปบางทีก็ปัญญามากเกินไปบางทีก็ความเพียรมากเกินไปบางทีก็สมาธิมากเกินไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแค่ปรบับตัวนี้เราก็เราก็มักไม่ได้ดุลแล้วก็แก้ไขไม่เป็นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเกิดความเครียดวิตกกังวลเนี่ยมันเครียดมากมันก้มมากมันซีเรียสมากเนี่ยนะ มันทุกใจมากว่าระนั้นควรแก้อย่างไงวาระที่เราเพียรมากเกินไปนเราเพียรมากเกินไปเราคิดวิจัยวิจารเยอะเกินไปแล้วก็วิตกกังวลมากเกินไปแสดงเหตุชัดว่าตอนนั้นเราใช้ความเพียรมากเรากระตุ้นตัวเองมากเราวิตกวิจารเยอะเราเพียรเยอะใช่ไหม วาระนั้นมันควรผ่อนคลายด้วยการเจริญกลุ่มความสงบใช่ความผ่อนคลายต้องฝึกจิตให้เป็นสมาธิต้องวางใจเป็นกลางต้องเข้าใจอุเบกขาเอามาดุลยังไงสมาธิเอามาดุลยังไงการผ่อนคลายเอามาดุลยังไงเหมือนไฟมันลุกเกินไปเราไม่ควรเอาย้า่แห้งโยนเข้าไปไม่ควรเอาน้ามันโยนเข้าไปมันก็ยิ่งลุกใหญ่ แต่วารานั้นลราควรเอาดินโยนลงไปได้เอาน้ำานประพรมได้มันให้มันสงบลงเหมือนกันในวารเ ล, ลที่เราฟารุ้งซ่านเราเครียดเราวิตกกังวลนเนี่ยวารานั้นน่ะไม่ควรไปใส่เชื้อความเครียดควรผ่อนคลายมาด้วยการเจริญเจริญอะไรฝึกสมาธิฝึกวางใจเป็นกลางโดยการพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของขอ ง, ของตน สัตว์ทั้งหลายทําสุจริญกรรมไว้ทุตจริญกรรมไว้สุจริญกรรมเลยทุจ ร, ริญกรรมที่สัตว์ทั้งหลายก็ต้องไปตามเบียดเบียนหรือส่งเสริมกระแสชีวิตสัตว์อยู่แล้วเราจะไปทําการใดไ ด, ได้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยพอคิดอย่างเนี้แล้วยาก็น้อมไปหาความสงบพระเจ้าต้องการให้เราผ่อนคลายต้องการให้เราสงบต้องเราการให้จิตเราตั้งมั่นตอนนั้นไม่ให้กิเลสมากุ้มรุมในใจเราใช่ไหม แล้วก็ชําระจิตที่มีของเสียออกจิตที่มีโรคจิตที่ไม่สะอาดเอี่ยม อ, อ่องพองแผออ่วอ่องทําจิตให้แข็งแรงจิตให้ตั้งมั่นจิตให้สงบอยู่ในท่าทีที่สงบยอมรับนะียอมรับได้ด้วยปัญญาวางท่าทีทางใจทำำําความติความอดทนไม่ต้องให้เกิดขึ้นทําความสงบให้เกิดขึ้นแล้วก็วางทุกสิ่งทุกอย่างว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราไปจัดแจงไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุ ป, ปัจจัย แต่ตอนนี้เราต้องวางท่าทีทางใจให้สงบและเยือกเย็นลงโดยการมนานัสิกานดึงคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยผ่อนคลายโดยเบานะไม่ใช่ไปตรึกไปไข้ควรไปคิดอะไรจนจนวิตกวิจารจนเกินไปผ่อนพอสงบลงสงบลงเนี่ยเห็นไหมได้แล้วนี้เราผ่อนคายจล้วทีนี้พอสงบมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นวางเฉยมากขึ้นไ ป, ไปมาถ้าเราเอียงทางด้านนี้มากเกินไปเป็นอะไรอีก ความเกียดค้านตามมาเชยชาตามมาความไม่กระตือรือร้นตามมาอันนี้ไปอีกแล้วเราเอียงสุดอีกแล้ววารานี้ไม่ใช่พอมันสงบจัดเชยชาจัดเกียดค้านจัดเบอก ง, งั้นเลยไม่กระตือรือร้นจัดไม่ใช่วารานั้นน่ะมันเหมือนไฟมันกําลังจะหมดมันจะมอดแล้วเราก็จะเอาฝุ่นไปโรยใส่จะนี่เอาญยาสดไปใส่ก็หมดดิ วาระนั้นควรใส่หญ้าแห้งควรเอาน้ํามันใส่ไปให้มันลุกขึ้นมาหน่อยมันจะได้สว่างใช่ไหมเหมือนกันวาระนั้นควรวิจัยวิจัยธรรมะควรวิจัยแยกแยะและควรเพี้ยนแกล้กลาควรทําปีติให้เกิดขึ้น <c oughs> ทําจิตล่าเริงปีติให้เกิดขึ้นจากการระลึกพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณให้จิตล่าเริงโปรงใสจะได้เกิดความแกล่ากลาอาถรรพ์ขึ้นมานี่ไงการปรับดุลยภาพ ในชีวิตจริงๆเราเคยปรับอย่างนี้ไหมนี่งไงเ้าเรียกว่าเราไม่เข้าใจคําว่าสมตาสมตามันต้องปรับตลอดเวลาเหมือนขับรถเนี่ยต้องปรับความเร็วตลอดทั้งผ่อน ท, ท, ท, ทั้งเร่งทั้งโคงทั้งทางตรงทางเรียบวาลานี้ยังไงต้องคอยปรับอยู่ตลอดเวลาไหม รถที่ขับยังต้องปรับอยู่ตลอดเวลาชีวิตที่ดําเนินอยู่ทุกขณะจิตถ้าไม่คอยปรับอยู่ตลอดเวลามันจะเข้าดุนยภาพได้ยังไงจะได้สมรตาได้ยังไงจะได้ความสมดุลได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นนั้นการที่จะดําเนินกระแสะความคิดชีวิตและพฤติกรรมการกระทําความคิดทั้งหลายให้ดําเนินไปสู่ตามทางสายกลางได้มันต้องเข้าใจจริงๆถ้าไม่เข้าใจก็เราก็ไม่สามารถได้ดุลเดี่ยได้ดุนยภาพในชีวิตได้จริง ในรายละเอียดมันมีเยอะอันนี้บอกพอเป็นคร่าวๆก็ไว้พอเป็นแนวทางก็ไว้ท่านทั้งหลายต้องการทราบรายละเอียดทั้งหลายก็ต้องหาโอกาสกันเองเพราะมันจะต้องชี้ทุกประเด็นยังไงอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ง่ายเพราะชีวิตมันใช่มดังนั้นคนมีบุญทั้งหลายก็ต้องขวนขวายกันเองก็สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมละ่ะใช่ไหมละ่ะ กรรมนาวัตตีโลโก้ไงสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเป็นไปได้ก็เพราะกรรมยังไงล่ะจริงไม่จริงเนี่ยกรรมมังสเตวิภัชติยะิทังฮีนาปินตตายะสัตว์ทั้งหลายจะเลวและประณีตก็เพราะกรรมเป็นผู้จำแนกกรรมเนี่ยจำแนกสัตว์ให้ประณีตให้เลวให้ดีให้ประเสริฐหรือไม่ประเสริฐเนี่ยตัวกรรมตัวเจตจํานงความจองใจเป็นตัวจำแนกแจกแจงอยู่แล้วเนาะงนั้นเราก็ต้องวางท่าทีทางใจว่าเออเนี่ยเราก็ต้องหาควนขวายที่ว่าตรงไหนมันถูกก็ควนขวายกันไป ต้องค้นขว้าให้ชัดดีไหมเอาละสมควรแก่วเวลาแล้ววันนี้นะหวังว่าท่านทั้งหลายก็ไปค้นขวายกันต่อชีวิตไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้ต้องดําเนินไปต่อแต่จะดําเนินเข้าสู่มชิมาปฏิบัติอย่างไรก็ขอให้กุศลและคุณของพระราตนาตรัยเนี่ยคุ้มครองกระแสชีวิตของเราเนี่ยให้อยู่ในเส้นทางและแนวทางของพระร า, นาตนทรยัยอย่าได้ออกจากนอกเส้นทางของพระราตนาตรยัย ให้สามารถดำเนินกระแสะชีวิตไปตามเส้นทางของมัชฌิมาปฏิปทาจนรอดปลอดภัยจนสามารถนำพากระแสะชีวิตเข้าถึงอนุปภาทาผลิธิพานคือการพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ด้วยการทุกท่านทุกประการเทอญนนะสาธุ